แบบใช้ความจริงของตัวเองเช่นถือสีห้าได้ทําบก<ม>ับอีกแบบนึงก็คือประกาศสัจจาในเรื่องอดีตชาติที่พระพุณพระคุณเจ้าเป็นพระพธิสัตว์ที่เป็นนกแล้วก็ประกาศสัจจะคนของพระรัตนาใจแล้วก็ห้ามไปเข้ามาถึงตัวได้ครับมันไอสองอย่างนี้จะจ ะ, จะถามว่าควรใช่ไหนไหมหรือยังไงล่ะครับใช้สัจจะตัวเองกับใช้สัจจะส่วนมาก การใช้สัจจะเพื่อแก้ไขเหตุมาถึงตัวนั้นจะต้องเป็นเหตุภัยที่เขาเรียกว่าคุกคามแบบมาแบบกระทันหันไม่ใช่ใช้เพื่อใช้ในกรณีที่อะไรฉุกเฉินนะฉุกเฉินการใช้สัจจะไม่ใช่อยากจะใช้ก็ใช้ไปเองมันก็เป็นแค่ ก, ก็เท่าที่ดูมานะก็มีมีความจำเป็นในกรณีหนึ่งหรือสองกรณีแค่นั้นเองก็ไม่ได้มีมากโดยจุหนึ่งความเจ็บป่วยก็ตั้งสัจจะในการรักษาศีลเพื่อให้แม่หายหนั่นก็หนึ่งอนะนกนกยูงทองตั้งสัจจะเอนกคุ้มมะนกคุ้มมะที่ว่าไฟไหมก็ตั้งสัจจะ ในการนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระอรหันตพระสัพพัญยูใช่ไหมละ่ะขอให้ไฟหยุดก็หยุดตการตั้งสัจจะและยุค ข, ของที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นในในอะไรที่เขาไปกับเรือกะลาสีหรือเป็นอะไร ไปกับเรือแล้วก็เรือไปออกกลางทะเลแล้วก็ไปเจออะไรอยู่กลางทะเลที่มันถเลเอือพุ่งเข้าไปตรวนั้นไม่มีทางรอดกลับคืนมาได้นยก็เลยตั้งสัจจะในศีลเหมือนกันตักน้ำขึ้นเทใส่หัวเรือด้วยศีลที่รักษามานี้ด้วยสัจจะนี้จงให้หัวเรือหันกลับก็หันกลับด้วยสัจจะเพราะไม่มีวิธีอื่นอีก ก็ใช้ด้วยในเหตุที่ฉุกเฉินแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละคือถ้าเกิดว่าเป็ น, เ ป, นเป็นการประกาศสัจากคุณของพระตัตนตน์คือดูแล้วมันเหมือนชัวร้อยเเนครับแต่ถ้าประกาศสัจากของตัวเอ ง, องเช่นเราถือศีลห้ามาได้อะไรเงี้ยครับเหมือนกับพระบอุลกลีมา น, นครับที่บางทีถ้าเราเจะประกาศสัจจะเราก็แบบเฮ้ย หรือว่าเราคือยังคิดว่ามัน ไ, ม, ม, นไ ม, มันไม่แน่จริงอะไรประมาณนั้นครับใช่ตอนนั้นองค์ครีมันรู้สึกผิดในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าการที่ตัวเองได้ฆ่าสัตว์มาแต่พระเจ้าจะให้เรากล่าวคํำสัตย์โดยการกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมาข้าพเจ้าไม่เคยฆ่าสัตว์ใดๆเลยให้ถึงแก่ชีวิตตกล่วงไปด้วยสัตว์จระนี้ขอให้เด็กในคันจง คลอดได้โดยง่า ย, ยานี่แหละถ้ารู้สึกมันไม่ใช่ขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองก็เลยไปหาพระเจ้าบอกว่าข้าพโมงไม่สามารถกล่าวคํานี้เป็นคําสัตจจะได้เพราะข้าพเจ้าฆ่าคนมาเยอะยพระเจ้ า, า, าก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดในอริยชาติข้าพเจ้าไม่เคยโปร่งชีวิตสัตว์ให้ถึงความตกล่วงไปเลยโดยการกล่าวคําสัตน์นี้ขอให้เด็กในครันจงคลอดโดยปลอดภัย โดยสมาธิภาพ ก, ก็เปลี่ยนพุทธเจ้าก็รู้อยู่ว่าที่องค์ครีมานฆ่านะ่ะไม่ได้เจตนาฆ่าออกมาจากจิตเพียงแท่ฆ่าเพราะถูกล่อลวงให้ให เ, เรียนวิชาว่าถ้าฆ่าคนครบเท่านี้ถึงจะเรียนจบไม่ได้เกิดจากแรงเจตนาที่จะฆ่าจริงๆไม่ได้มีจิตอาฆาตพยาบาทที่จะฆ่าผู้ย่อเลยให้พูด ตอนแรกอย่างนั้นแต่องค์คุริมานไม่ลงใจก็เลยไปแจ้งกับพระพุทธเจ้าว่าตนเองได้ข้ามามากก็มันก็ขัดแย้งเมื่อมันขัดแย้งอยู่สัจจดมันก็จะไม่สําเร็จผลพระพุทธเจ้าก็เลยเปลี่ยนใหม่เกิดในอริยชาติชาติในอริยเจ้าเกิดเกิดเกิดในพระศาสนานั่นแหละพูดง่ายๆเอออันนั้นะพอยอมรับได้ก็เลยไปกล่าวกล่าวด้วยพลังแห่งความจริงใจ เพื่อที่จะประารถนาให้หญิงนางนั้นคลอดทารกออกมาได้โดยง่ายก็สำเร็จผลจำแจ้งแล้วก็เลิกไม่มีใครถา ม, มาั้ยเลิกเยแล้วถ้าสมมติ น, น, นีาไม่ชอบตอั้งแตจยายนะคะก็ไม่ต้องตัาง ถึงข้าก็ขันแล้วก็ปล่อยก็ปล่อยก็ไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากสัจจะเราก็ปล่อยปล่อยก็ปล่อยก็สบายไปอย่างหนึง่งแต่ของมันลาบากกับทัดขันนีอีก หมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรพูด ก, ก็นี่มันถ่ายออกไปเลยไม่มีอะไรพูดมันก็ไม่ดีแล้วคนฟังอยู่ทางบ้านาามาเต็มรัสเซียเลยเอา้ามาแล้วเลยว่าจะมาช่วงเพลญมาคนละชุดคคนละชุดเปลี่กาแฟมาอาจารย์ <laughs> มีมาฝากกันหรือเปล่า ไม่มีมาฝากกันไม่ใช่เซียแล้วเขาก็ไปเล่านนาัดกันจะมาไปเจอกัน ม, มาคนละทิก็คุยกับคนที่นี่อยู่ว่าถ้าจะมาฟังก็จะปิดเพลตัวนี้นะปิดเพลตัวนี้ เพราะเทศออกไปทางเพจเนี่ยเพื่อให้ฟังกันอยู่ที่บ้านมึงต้อตงมาที่นี่ทํามาที่นี่ก็ปิดเพจนะก็ฟังกันอยู่ที่นี่ดี๋าาตแต่คนเขาก็ไม่อยากให้ปิดเขาบอกอะไรก็พระอจาจารย์ก็พูดไปเถอะมัเอ๊ะยัยงไง พูดอะไรก็พูดไปเถอะมันก็ใช้ไม่ได้นั่นกันนะต้องพูดในประเด็นที่ควรจะพูดคิดสิจะให้พูดอะไรที่จะให้ตมาคิดอย่างเดียวรู้ไม่ได้เลยเหรอปัญหาทรอะทำมามีครับมีมาเยอะพอได้เลยมำทำมาได้เลย เดืดนอดนกุนมภาพก็มาเป็นเดือนแล้วนี่จะครบเดือนแล้วมั้งมาศึกษาธรรมาที่นี่ตอนแรกก็พกปัญหามาจากที่บ้านนั่นแหละ มาก็ถึงถามเอาถามเอาก็ช่วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะถามแล้วนะ่นะเฮ้หาหาพระนั่งตอบปัญหายากขนาดนั้นหรือที่แท้เนี่ย<ม>พระที่จะมานั่งตอบปัญหาพูดคุยธรรมะอย่างเงี้ไยมนะไม่ค่อยมีหรอไม่ค่อยมีอาจารย์แล้วพระไปทําอะไรกัน ไม่ยอมตอบปัญหาธรรมะให้โยมไปทำอะไรกันพระคืออะไรคืออาจารย์ครับมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นศาสนาพุดธในบัตรประชาชนอะ่ะนั่นครับมันคงรู้รู้ตามที่ว่าเป็นเป็นประเพณีเนาะพ่อแม่ทำเราก็ไม่รู้ก็ทําตา ม, มจนมาถึงวันหนึ่งเราไปเห็นแล้วเราเ้วเกิดความสงสัยมันเป็นอะไรที่วันหนึ่งคุณจะต้องมาทำตามมันไม่มีมันไม่มีเหตุมีผล ก็เหมือนไปวัดปุบก็ไปฟังพระสอนเรื่องรู้สักคำเลยนะฮะเป็นภาษาบาลีแต่เขาบอกว่าอยากน้ําอยากน้ากาําก็ยกน้ํามาก็ทํำก็แค่นี้ก็กลับมาเขาบอกไปทาบุญ <อะ S 2> แล้วก็มันก็ไม่เห็นมีอะไรกลับมามันก็เป็นปกติเนี้ยไม่มีความรู้เกิดขึ้นไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาไม่ได้เข้าใจหลักของศาสานาที่<อ>ดีขึ้นแล้วทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ที่ผมไม่ไหวครัมาประมาณยีสิปีสาสิบปีก็ ประมาณนี้แหละคือไปปุ๊บขอยกย้อนเรื่องอดีตนิดเดียวนะผมกุ้มลูกไปกราบพระที่ดังตรงนั้นลูกหนึ่งลูกก็ตัวเล็กพอไปกราบพุ๊บท่านก็บอกเอาไปเอาไปเป็นการระ ก, กินี่เอาไปไกลๆซึ่งพระองค์นั้นนะดังคนนี่นะมานเต็มบ้านมากราบแต่เราก็อยากจะได้เขาเรียกอะไรเนี่ยเกิดความติติอุ้มลูกไปนะ่ะเขาก็ไล่เราออกไป ก็เกิดวาทัศน์หรือวาจาด่ากันตรงนั้นเลยมแต่ไไว่าผม <c oughs> ผมก็ตรงนั้นเกาเป็นยากละก <c oughs> ็ต้องชี้ด่าแค่ละกับป <c> ู <oughs> <c oughs> ไปไว่าแม่กูดีกว่าที่จะมาไหว้ถูกไหมครับ <c oughs> ผมก็ถูก <c oughs> ผมก็กลับบ้านละจากนั้นมาอย่างเลยผมเลไม่ลย <c oughs> ผมก็ไม่กลับไม่ไหว้พระเพราะผมริดว่ามันจะไม่เจอในสิ่งที่เราอยากเจอแต่ถ้าองค์นี้ผมตามมาหลายรอบแล้วนะอืมแต่วันนั้นไปเจอแบบจังๆก็เลย หลังจากนั้นก็ไม่การาบพระไม่ไหว้พระก็เฉยเฉยทีนี้ก็ยังยังไม่ไม่หายคลายใจว่าตัวเองเนี้ยตอนนี้เล่าความเรืองต่ออีกนิดนึงตัวเองเนี้ยเคยเคยปฏิบัติแบบไม่รู้เรื่องก็คือเรื่องอาณาปานสติของตัวผมเองนะ่ะซึ่งก่อนผมก็ไม่รู้จักมีเจคนึ่งว่าคุณวอนคุณลองฟังดูที่เอานอนแล้วเอามือเอานอนแล้วเอามือกับหัวทับกันแล้วคุณจะได้ยินเสียงตรงนะครับ แต่ว่าผมก็ลองทําดูพอทําไปปุ๊บผมก็ฝึกไปฝุกมาทีนี้พอเอาเอาจิตปติดที่ว่าที่หูทับนะครับผมมันก็มันฟังไปแล้วมันหูมันจะดับไป mm hmm. พอมันดับไปทีนี้ที่ลมหายใจก็ยังมีอยู่นะ mm hmm. ทีนี้ลมหายใจมันก็แผ่วไปแผ่วไปจนนี้มันเหมืนจะเข้าไปอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งทีนี้ในร่างกายเราตัวไอ้กายของผมนะครับมันเริ่มกระตุกตุก๊บตุ๊ตุผมก็มองนะผมก็ พ็ครับก็เราเราฝึกทําดูแล้วมีคในในรั้งอาการย์มนไม่รู้เป็นอะไรอันนี้คือมันก็คาใจมานะมันเหมือนกายถอดมันเหมือนกับแบบเราเริ่มรู้แล้วที่หัวแม่เท้าเราปลายเท้าเรานะีกับตัวของเราเริ่มกระดุกเริ่มมืมีเขาเรียกว่ามีอาการคือกระดุบนีดหน่ยแล้วก็ไม่ตกใจเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันมันค่อยๆเบาแล้วมันจะถอดออกไปเหมือนที่ว่า อ่ามันที่ว่าเขาว่าปูหรือมันถอดเราเหมืนมันเรื่อมมันออกล้็ข้าวอะไรแบบมันพอดตอดล่างอะไรประมาณผมก็ไม่รู้น่ะมันจะออกจากตัวผมเองแล้วก็เหมือนเหมัอนเหมันมืนมืนมีวิญญาณอะไรไม่รู้นี่คือเรียกไม่ถูกก็ค่อยๆถอดออกไปแล้วมัายืนมองตัวเองเห็นตัวเองอยู่มันนอนอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็กลับมาปกติก็ได้คเหมือนก็เกิดมีความพิติตรสุขแต่รู้อยู่คนเดียวทีนี้ก็ทําอีกครั้งนึ่งก็ทําได้อย ออกไปพบก็ไม่เห็นซึ่งพ่อที่ตายไปแล้วที่เกิดมาแล้วตอนนั้นยุคประมาณสักขวบสองขวบแหละคือจําหน้าพ่อไม่ได้ทีนี้ก็ออกจากตรงนี้ก็ไปเห็นพ่อยืนอยู่แล้วะก็เรียกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมก็เลยความกลัวแล้วก็ตกใจก็คือจบตรงนั้นมาก็ไปไล่ถามอย่างนี้ยมายี่สิบปีไม่มีใครรู้สักคนก็กคำเราวังนะําไปจะตายนะเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ก็ยังไม่เจอก็ทีนี้ไปอีก ไปตามมาอีกภาคหนะ่่งที่บอกภาคตรงนั้นดังนะเขาบอกว่าสามารถพรมน้ำมนต์เนี่ยเป็นข้าวทาบร่วงมาเป็นโน้ตเวนีน่ก็ตามไปดูอีกตามไปด้วยความที่ก็ลองไปไหว้ไปกราบอยู่นะทีนี้พอเห็นแล้วว่ายังไม่เชื่อ <S <S มันเล่นกลหรือว่าทําอะไรผมก็ยังสงสัยนะ <S <S 2> <S 2> คนก็มามากรามีแถวเออมีถึงคนในวงังว่ามีมีคนรวยทั้งหลายมากราบพอคุยไปคุม า, มาก็ก็ปั๊บอย่างเงี้ย แล้วก็โยนมาเป็นอันเป็นชิ้นเป็นราก็อมามีพระมั่งมีแก้วอะไรไม่รู้สารพัดแก้วให้ผมผมก็ได้มาชุดหนึ่งผมก็จับทําไมมันอุนอ่นๆมันก็อุนอ่นๆนะผมก็ยังสงสยัยยังไม่ยังไม่เชื่อนะก็คืออะไรผมก็จะไปพอไปอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าอาแกเป็นลือสีเป็นอะไรก็ไม่รู้นะก็เป็นเกี่ยวกับลือสีเป็นเกี่ยวกับแล้วนะ แล้วก็บอกว่าโยมโยมอยากจะขายที่ใช่ไหมผมก็เอออยากขายแกก็บอกเราเอาใบที่มาซิก็เริ่มไปเขาเรียกว่าอะไรอวิชาระ <ừ. S 2> ผมก็ไปดูเอาใบที่ไปให้อาจารย์อาจารย์ทนังก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะทําให้มันได้ขายให้มาเวลานี้นะเวลานี้ผมก็ไปพอไปทําก็ไปทำํำหมดที่เขาบอกว่าจุดทู่ตรงนั้นเอาเข้อสาบไปลุยตรง น, นั้นปรากฏว่ามันไม่ใช่ <c oughs> ก็ผมเลยมานั่งคิดว่าเออมันเราจะหาอาจารย์ที่ไม่เจอ ก็เลยหาอาจารย์ไม่เจอที่หลังมาก็ผมก็ไม่ฟังใน youtube ก็ไปฟังภาคตั้งเนี่ยก็คืออาจารย์ขึ้่นลิ้น่ะพูดก็แค่ผมได้อาจารย์ไปที่ไหนก็มาฟังแต่พูดถึงเรื่องให้ทานเดี๋ยวพูดเรื่อ ง, งให้ทานผมก็ฟังไปฟังมามันเหมือนกับไปเจอจุดหนึ่งก็คือเป็นเหตุเป็นผลน่ะแ่บอกให้ทานก็คือเหมือนอให้ทานคือเป็นเครื่องบริการกำจัดความตายนออกจา ก, ก, กจใจอืไม่ใช่แต่คนบ้านเราม่ทาทานหวงังผลของทานทาทานแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ ไปไปหวังอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยมาเออฟังดูแล้วก็เริ่มฟังไปเรื่อยๆนะจนถึงไล่ไปจนถึงสติจัสมุบาทแล้วไปรู้ถึงไปรู้ถึงกรรมคือการกระทําแล้วไปรู้จักขันห้าล้วไปรู้ถึงอริยอริ ย, รยสัจจี <c oughs> ก็ไปฟังมาจนถึงอานาปานาสติทีนี้ก็ฟังไปอย่างเงี้ยถ้าลองทําทําำทำไปเรื่อยๆแต่ยังตอนนี้มาคายใจตรงนี้อาจารย์ คือวันนั้นมาฟังอาจารย์ที่บอกว่าเริ่มจากมือขวาถ้ามือซ้ายแล้วไปฟังตรงนี้เราก็เลื่อนจากตรงนั้นแล้วก็มารลมหายใจแล้วก็มาที่มาที่การบกแล้วก็ะทำเหมือนกับว่าเราที่เกียบมันมองมันเหมือนไม่ต้องเพ่งผมก็มาฟังมาตรงนี้ก็มาทํำพอมาทำปุ๊บก็ผมก็มาถึงตรงนี้วันนี้ก็ผมมาถามอาจารย์แล้ถ้าทําต่อจากนี้ไปมันคืออะไรคือได้แค่นี้ยก็ที่มาเขาเข้าใจกราเลยเอยะอยากมามาเจออาจารย์ว่า ผมทำเนี่ยทําถูกไหมหรือจะมันต้องเริ่มเริ่มทำอย่างไรก็ให้เริ่มจากการรับรู้ที่มือขวาทับมือซ้ายครับนั่นคือขั้นตอนแรกรทิ้งไม่ได้จะไปอยู่ขั้นตอนไหนก็ตามขั้นตอนนี้ก็ทิ้งไม่ได้ตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่จะดึงเราไว้อยู่กับตัวเราครับแล้วความรู้สึกนี้มันจะค่อยๆสร้างการรับรู้เรื่องลมหายใจภายในตัวเราเองครับเมื่อ มันเกิดการรับรู้ภายในตัวของมันเองได้มันก็จะทําการเรียนรู้ของมันไปอัตโนมัติทั้งลงเข้าลงออกทั้งปีติทั้งสุขทั้งจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ผุดเกิดขึ้นตามลําดับของอาณาปานสติมันจะเป็นไปเองอัตโนมัติจิตมันจะฉลาดในการนี้ว่าท่านมีครั้งทำได้เพราะมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนว่ามันหลุดลงไปตรงนั้นนะครับมันเราปล่อยว่างกัน สุดสุดท้านเหมือนมันหลุดเข้าไปตรงนั้นอย่างเขาเรียกว่าอะไรครับผมมันนั่งคิดว่าเป็นวิหารหรือธรรมใช่มับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นอาการอาการที่ความรู้สึกของจิตมันรับทราบมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งของอนาปานาาสติเขาเรียก ม, มุนจักกะก็ว่าปล่อยจิตหรือว่าจิตสลัดออกหรือหลุดออกจากอาการพวกเนี้แต่มันก็คืออาการหนึ่งที่จิตมันสลัดออกหรือมันหลุด อ, ออก มันจะมีตอนหนึ่งอ่ะที่พระเจ้าบอกว่าแม้อาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็ให้รู้ส้ำเนียกรู้ในอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนี้จากนั้นก็พระเจ้าก็ให้น้มไปไปทําอะไรมันต้องเป็นเปิดแบบนั้น น, นี่ก็จําแบบนี้ได้มันมันต้อดูว่าขั้นตอนเทียบถ้าเทียบกับปริยัติแล้วอยู่ในระดับไหนขั้นตอนไหนอันนั้นอ่ะไปเทียบไปใช้ความรู้ความเข้าใจภายในตนเองสําหรับตน ก็ทุกวันนี้คือไม่รู้นะครับที่ทํามาก็ทํามาก็พอดีน้องแพรบอกลองมาหาอาจารย์ดูเลยเหมือนก็จะได้ได้รู้ว่าเออเดินถูกทางไหมอันนี้มันคืออะไรแต่ผ ม, มทุกวันผมก็ทําทําแล้วก็ได้แค่นีได้แนะดค่แค่ว่ามันไปหยุดไปหยุดอยู่ตรงนั้นอ่ะนะนะอ ย, อยู่ตรงนั้นมันไม่ไปกว่านั้นเลยนะคือทุกวันนี้เมื่อวานซือผมก็ฝากของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องจิตและ ท, ท, ที่หลังผมก็มาทําก็คือ ทำเริ่มต้นแบบอาจารย์ที่บอกว่าเริ่มแรกก็คือเอาจิตไปติดกับที่ว่าเมื่อกว่าทําือซ้ายแต่ของผมใช้นอ น, นครับผม mm hmm. ผมก็ใช้หูแล้วก็ทับแล้วก็ฟัง mm hmm. พอฟังอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดึงจิตมาไว้ที่ลมหายใจกันแล้วก็ปล่อยไปที่แก้งอกแล้วทําให้แข่าเบาพอพเข<อ>่าเบาครบรายกานมันเป็นการทําของเราเองครับแต่อันนี้เป็นการให้ความรู้สึกในตัวเราเข้าไปรับรู้เองโดยธรรมาชาติของความรู้สึกครับแล้วมันจะเป็นไปเองในตามลําดับไม่ใช่ว่าไปดึงจิตมาไว้กับลม มันไม่ใช่การดึงมันมันเป็นการปล่อยให้ธรรมชาติของการรับรู้หรือความรู้สึกภายในตัวเรารได้รับทราบเองโดยธรรมชาติก็ก็ตอนนี้คำที่แบบที่อาจารย์พูดใน YouTube ของทางนั้นแนะ มันก็ได้ง่ายได้พบก็เหมือนกับว่าอาจารย์บอกรู้รู้รู้แล้วว่าขั้นตอนเป็นยังไงมา่ก่อนไม่รู้บางที่ไปจับที่ลมก่อนบางทีไปจับที่ปลายเท้าก่อนคือมันจับไปคือมันโดดไปมันโดดมาครับกระโดดไปกระโดดมาครับแต่ที่หลังผมก็เรียนไปทีนี้พอถึงตามที่ที่ดูในยูทูบของอาจารย์พ็พอผมทํามาตรงนี้เริ่มรู้แล้วว่าอ่ปลายเท้าเริ่มรู้แล้วปลายมือเริ่มรู้ทุกทุกท่านมันรู้่啊 นั่นแหละให้ให้มันความรู้รับรู้มันรับรู้อยู่ในกายนี้วนเวียนอย่างนี้มันจะรับรู้ลมเองหาความรู้นั้นเต็มที่ความรู้สึกนั่นการรับรู้ภายในตัวเรามันเต็มที่มันจะรับรู้ลมมันจะหยุดการรับรู้พวกนี้แต่มันก็รู้อยู่แต่มันจะรู้ลมไปพร้อมพอรู้ลมไปพร้อมก็ทราบอาการแห่งลมไปพร้อมปั๊บพวกปีติอ่อนๆเวทนาที่เป็นสุขอ่อนๆก็จะเริ่มเริ่มก่อตัวกันขึ้นจิตเราก็จะเริ่มรับทราบอยู่ตรงนั้นไปเป็นระยะระยะระยะ ทีนี้เราก็ไปเทียบเพียงกับแบบที่นี่ว่าแบบแบบเนี้ยเกิดกับเราในแบบที่อาานาปานสติสูตรนั่นน่ะได้กล่าวไว้แบบนี้ก็เทียบเทียว่าอยู่ในระดับไหนเกิดความคิดขึ้นในขณะที่เป็นความสุขก็ยังมีความคิดเกิดขึ้นก็ให้ทราบความคิดที่เกิดขึ้นว่านั้นคือสิ่งที่จิตคิดหรือเป็นเพียงแค่ความคิดที่เกิดครับก็ให้ทราบอย่างนี้ทราบจิตเมื่อทราบอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆผู้ย่ำก็บอกให้มีการปล่อยจิต ปล่อยจิตคือไม่มีการควบคุมบังคับจิตถ้ายังควบคุมบังคับจิตอยู่ยังใช้ไม่ได้ครับปล่อยไปนะครับใช่มีการปล่อยจิตเนี่ยปล่อยมันเลยแล้วก็ปล่อยลมคือปล่อยออกจากการแม้แต่รู้ลมมันก็มันจะปล่อยเองอะนะโอ้ยง่ายง่ายแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้ทําครับทั้งหมดที่พูดถึงนี่คือเป็นระบบแห่งการที่เราสร้างความรู้ภายในตัวเอง ค, คือให้มีการรับรู้ภายในตัวเองแล้วอาการรับรู้ที่สร้างขึ้นมานี่มัน มันพอที่จะเข้าไปรู้ลมแล้วก็รู้เวทนาแล้วแล้วก็รูอ้อาการรู้จิตรู้อะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดเองครับพระเจ้าตัดออกมาจากธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ให้เราเป็นผู้ไปทำถ้าไปทําขึ้นเช่นดึงจิตมาไว้กับลมดึงจิตมาไว้กับลมมันคิดไปนู้นก็ดึงมาไว้กับลมมันคิดไปนู้นก็ดึงมาไว้กับลมบอันนั้นอันนั้นเป็นการสร้างให้เป็นการปรุงแต่งขึ้นเป็นการสร้างความรู้สึกขึ้นคือเมื่อก่อนทําอย่างนั้นนะครับคือบางทีก็ปล่อยได้แต่มาผ่าขออาจารย์ก็เริ่มรู้ว่ามันเะ พอมาทำปุ๊บมันเบามันทําได้แป๊บเดียวครัพอนอนตุ๊ก็วิ่งอย่าได้ยินละขูเริ่มอื้อละเด็ดแ๊บเดียวสักครัลงไวไหายใจคุณแป๊เดียวแป๊บเดียวมาละไม่กี่วินาทีก็คือได้ละทีนี้ในกายเริ่มรู้แล้วเราะพรบพับพลรู้รู้ละก็มันใจวนอย่างเงี้ยมันจะต้องรู้ชัดเล้กระทั้งมาปลายผมกับเล็บเท้าเนี่ยมีความรับรู้ที่ชัดเจนเท่ากันในเวลาเดียวกัน เส้นผมกับเล็บเท้าต้องรับรู้แบบชัดเจนขนาดนั้นนั่นคือการมีสติในกายแต่ไม่ใช่มีสติอแบบบังคับให้รู้อันนี้ไปเองนะเออใช่ถูกต้องบังบไปเองมันเหมืนที่ว่าตอนนี้เราทําแล้วก็แบบจิตเรามันเหมือนมีมีกําลังขึ้นมาอืก็ที่บางทีนะครับอาจารย์รู้สึงตรงหัวเราได้เดี๋ยวลงไปที่เท้าก็ได้เราลองปล่อยมันไปอ่ะมันเข้าไป บางทีที่มาที่ตรงกลางหลังนี้ก็ได้คือได้ตรงตรงที่ส่วนใหญ่ๆกล้วนะผมก็เอ๊คือมันไม่มีใครที่แนะหรือแนะนําอ่ะก็มันก็ศึกษาเองก็เอาอย่างนี้ดีกว่ามองมาที่อาตมาหนินะมองที่อาตมาสามารถรับรู้ได้ไหมว่าคนสัมผัสกับพื้นอยู่ในเวลานี้รู้นะรู้ไหมว่ามีคนนั่งอยู่ข้างหลังรู้รู้ไหมว่าคนนั่งอยู่หลังเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ในที่เห็นมีท่านผู้หญิงพี่ตรงนอ้แล้วคนที่นั่งข้างขวาขมือเป็นใครรู้ไหมรู้ไม่ได้หันไปมองทําไมรู้อ่อะก็อาจารย์บอกพี่ว่าเนี่ยคือความรู้แบบธรรมชาติเขาจะใช่มันจะมันรู้ในตัวเองก่อนแล้วค่อยขยายไปรู้ภายนอกมันจะรู้ออกไปโอ้รอบจั ก, กรวาลด้วยความรู้ของจิตนี้ธรรมดาครับมันต้องรู้จากภายในก่อนแล้วออกไปภายนอกคนทุกวันนี้เราสอนให้เรียนรู้ภายนอกก่อนรู้สิ่งที่เห็นก่อนรู้สิ่งที่ได้ยินก่อน รู้ภายนอกเราความรู้สึกเราเลยโดดไปตามสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่เมื่อเราย้อนกลับมารับรู้อยู่ภายในเราจะรู้หรือเปล่าแค่อยู่ในภายในก็สามารถรับรู้ภายนอกได้จุดศูนย์การมันอยู่ภายในนี่ที่นี่<ะ>มีอย่างนอาจารย์ผมทําให้แค่ได้ที่นี้ก็มันเหมือนกับเอ๊ะมันไม่รู้ไปครับผมก็เลยไปท่องพระสูตรคือปฏิจสมุบาติอยู่ในจิตคือก็การเป็นไปปุงใช่ไหมอาจารย์ใช่ไปรุงกลายเป็นไปปุ ง, รปปงตรงนั้นเพราะว่ารัาเห็นาำแล้วก็มันอ เหมือนมาทาก็อยู่แค่ในห้องนะมันมีพัฒนาขึ้นไปพว่าก็เลยว่าเออก็ไปห่องปฏิจสมุบาทอยู่ในในที่จิตกําลัง<ม>อยู่ในตรงนั้น<ม>ก็ไปห่องมันไปป่วมตรงนั้นไปเข้าปฏิจสมุบาทสายเกิดสายดับอื<ม>แล้วก็เอ๊อะจะทําังไงก็จะออกก็เราแผ่ในตาออกมาก็คือจบก็คือได้แค่นะี้ไม่ได้ไปพัฒนา<ม>ถึงถึงขั้นต่อไปก็เลยไม่รู้ที่ว่าเขาบอกชาติหนึ่งชาติ2ชาติสามที่ผมไม่รู้เรื่องอะผมได้แค่เอาจิตมาอยู่ตรงเนี้ย อยู่ตรงเนี้ยที่คุยให้อาจารย์คือมันจบละไม่มีละแต่ว่าพอออกมาตรงนี้รู้สึกเราอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึงคือเรื่องครับของทางโลกเราก็สบายเราตื่นเช้ามาเราสบายเราเห็นอะไรเราก็ไม่ได้ไปตื่นเต้นรเรารไม่ได้เกลียด<ป>ตาเห็นก็เห็นหมูก็ฟังไปก็คือได้ตรงนี้มามคือเมื่อก่อนมีธุรกิจอยู่เยอะอยู่ทีนี้ก็มาเจอบิก๊กเบลดก็เลยคิดไปสักครั้งหนึ่ง แต่ทีหลังมาพอเรามาทําตรงนี้ได้เราไปเห็นธุรกิจที่มาโงแล้วก็เฉยๆว่าอ๋อที่เขาบอกมันมีเกิดขึ้นระดับไปเราเริ่มรู้เลยว่าอ๋อเมื่อก่อนะคนเนี่ยต็มบริเวณที่ร้านบริเวณธุรกิจเราแต่วันนี้ไม่มีแต่มีแต่นกมีแต่ป่าเราก็มองมันแล้วก็มามองเหมือนเห็นเป็นิศาจจะทําไงเห็นมันหักเห็นมันพังไปก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ได้ออกบ้านไม่ได้จะต้องทิ้งโบัดไม่ได้นะกลัวเขาลักกลั ว, วขโมย ถ้าทั้ที่ว่าที่เราไม่มีรั้วเลยน่ะก็กลัวเขาขโมยตอนนี้ไปไหนก็ได้คือมันเหมือนกับเออปงหรือวางเหมือนลักได้กันรู้สึกมันสบายไงผมเลยว่าอ๋อมันเป็นความสุขของเราสุขภายในของเราจริงๆเมื่อก่อนเราไม่เคยสุขอย่างนี้เมื่อก่อนมีเงินหลายหมื่นแต่ไม่สุกวันนี้มีเงินสักสองร้อยมันก็สุกเพราะว่ามันไม่ได้ไปคิดถึงมันไงก็เลยว่าเออผมเลยเริ่มเจอความสุขของตัวเองได้ประมาณปีครึ่ง หับสบายไม่ต้องไปเครียดก็จะเลยอาจารย์พอกำตัวนี้เหมือนกันรู้ทางจิตนะก่อนที่จะเราจําเป็นว่าใครเราจะคิดเราเราบอกไม่ต้องไม่ต้องเป็นมาก่อนที่ทรไปแล้วว่าไปก่อนนะเนี่มันก็ค่อยเรียนรู้ไปอย่างนี้แหละมันจะให้รู้ไปเลยทีเดียวรู้ทางจิตตัวเองก็ฝึกไปก็รู้ไปฝึกไปก็รู้ไปฝึกไปก็รู้ไปเข้าใจไปอธิบายตัวเองให้ฟังให้ตัวเองฟังแล้วก็เข้าใจภายในจิตภายในตัวเองก็แก้จิตตัวเองไปอยู่เรื่อยๆก็ฝึกไปก็รู้ไปจับสังเกตตัวเองข้อผิดพลาดตัวเองโคบข้อง การเรียนรู้อย่างเนี้ยมันจะเติมเติมพอบพ่องต่างๆแล้วแก้ไขความผิดในจิตจากนั้นมันก็ถึงความสมบูรณ์เองทําอย่างนี้ไปแล้วมันก็ถึงการละแล้วทีนี้เจอนะที่บ้านนี่เป็นพี่สาวญาติชอบทําบุญแต่แตทําบุญไม่ถูกเขาบอาทำบุญเหมือนกับทำบุญตามปกติเลยครนะับทำบุญไม่ถูกบุญอย่างนี้เหรอครับไปทําบุญเหมือนกับไปสร้างวัดไปถวายน้ำปานนะอ่าก็ดีนคือ มันคือไปเบียดเบียนคนตัวเองกับคนอื่นนะจ๊ะมาทําบุญเท่าไหร่มาทำบุญเท่าไหร่อะอผมบอกพี่มันไม่ดีนะ่ะการจะทําบุญไม่ต้องไปเรียกงบางคนเขาก็ไม่ไม่สะดวกเขาก็ไม่สะดวกนะ่ะก็ผมก็ก็ไปบอกข้อที่ทําบุญนี้มันมันไม่ดีนะมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนอนะ่ะแต่แกก็ไปไล่แบบไปเรียกไล่เขาอะอบางคนก็เออมาก็ดีแล้วบางคนก็บอกไม่มีเงินที่จะทําบุญ คือพอผมมาอยู่ตรงนี้ผมเรนมองเห็นว่าที่บ้านผมการทำบุญกับการปฏิบาาัติต่างกันคือทำบุญมันจะสร้างสร้างวัตถุก็ให้เขาทำไปเถอะในส่วนที่เขายังยังอยากจะทำอยู่ก็มีคนไปถามาาพุทธเจ้าข้าพวงควรจะทำบุญหน้าที่ไหนพระเจ้าค่าก็อยากบอกให้ทำในที่ที่ตนเองเลื่อมใสก่อน แต่การทําในที่ที่เลื่อมใสไม่เป็นเครื่องวัดว่าทําแล้วจะได้มากโพ์จึงตัดลักษณะทานไว้เป็นสองกรณีหนึ่งให้ทําในที่ที่เลื่อมใสสองให้ทําในที่ที่มีผลมากแต่อันดับแรกต้องมากกว่าให้ทําในที่ที่เลื่อมใสแม้จะไม่ได้ผลมากแต่อย่างน้อยเขาเขาได้ทำในแม้แต่เป็นผลน้อยก็ยังดีค่อยที่เขายังได้ทำดีกว่าเขาไม่คิดที่จะทําแต่ถ้าเขาเริ่มฉลาดขึ้นเขาจะแสวงหาในที่ที่มีผลมากเองในภายหลัง คือบางคนยังแนะนาไม่ได้นะอาจารย์นะแมกระทํางเป็นพี่สาวแนะนําไม่ได้ถ้าคุยกันเรื่องธรรมะนี่เขาให้ใช้เฉพาะตัวตัวคนถ้าผมคุยเรื่องที่ว่าผมไปคุยกับก้อนนี้ทะเลาะกันเลยน่ะอมันคนละเรื่องคนละสไตล์คนละอย่างพูดอันเดียวกันแต่คุยกไม่รู้เรื่องอ่ะก็ขีดท้องใจแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องยอมรับว่าขีดท้องใจเขาได้แค่นั้นเมื่อขีดท้องใจใจมันมีเพดานแค่นั้นเขาก็ต้องทําในสิ่งที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาจะทําเกินกว่านั้นไม่ได้ของเรามันเกินขีดท้องใจเรามันเกิน เรื่องของพวกทานมาแล้วมันเข้ามาสู่การปฏิบัติแล้วย ก, ยกสาเหตุอาจารย์เอาท่านไฟไหม้ข้างบ้านพี่สาวอืพอไฟไหม้พี่สาวดึงดึงถุงไอ้ซองผ้าป่ามาเลยน่ะรับพระมาหนาว่ายอย่างเดียว ผ, ผมบอกไม่ต้องไหวามาช่วยกันเอาน้าไปสาดที่แต่ ก, ก็ว่ายอยู่บอกไม่ต้องไหวนะแกก็จะว่ายอยาู่นั้นแ่ะผมบ่กผมก็คน ง, งานเอาน้ำมาช่วยกันสาสาดน้ำพี่สาวผมไหายอย่างเดียว พอไหว้เสร็จเขาบอกเนี่ยเขาไหว้เขาอาราธนาพระทั้งหลายมาช่วยครับอผมบอกไม่ใช่มาทั้งหลายเนี่ช่วยกันสาำมาเพื่อแจ้งจ่าแกก็บอกแกช่วยอะ่ะแกบอกผมก็เลยใช่ใช่เมื่อกี้พระที่ทาบูนมาแต่เขามาเห็นพอดีไฟไหม้ดับเขาก็เลยกลับไปไปเอาถัางน้ามาแต่มาไม่ทันเราดับไปซะแล้ ว, วเดี๋ยวเราไปไหว้กันเง้ก็สบายใจจที่จริงมันไม่มันไม่ใช่พระองค์ไหนแหละ มาทัาง้งสี่องค์คนงานทั้งหลายเนะี่ยเอาน้ําสาดไฟมันก็เลยดับไปเ <c oughs> นี่ยมันจะเถียงกันม่รูดเรงผมเลยว่าถ้าเราไปพูดกับเขาเนะี่ยอะไรมันพูดได้ถึงขราดนี้นมึรู้ดียังไงวัดก็ไม่เห็นไปบอกยี่ไปวัดแทบกบวันไปก็ไปวัดของมึงและเรานะไม่ไปวัดหรอกเราดูในยูทูบวัดกําลราอยู่ที่ใจอยู่ที่ยูทูบเนี่ยแหละ <c oughs> เออเราก็เลยบกักบางทีเราไปเห็นข้าวทาบุญเราก็ยิ้มบางทีนุออ่งผ้าขาวชุด ข, ขาวไปก็ป๊นนะั ไปไม่รู้ได้อะไรมาแต่เราบอกล้วก็เลยไม่ไปไหวเรา แ, แค่แค่มองเนี่ย <c oughs> แล้วมีวันจะเล่าให้ฟังกใจพี่สาวที่ชอบจัดน้ำปานะไปทุกวัดในแม่สายจานครบพรรษาไปไล่เรีย่อะไรมาเปรีกองที่บ้านเหมือนโกดัง <c oughs> ทุกวัดแกจะมีน้ำปานะไปจัดให้ในแม่สายแต่แม่ผมไม่ป่วยนอนอยู่ที่บ้านอย่างนี้แหละทีนี้แม่ก็ป่วยอยู่ในห้องไอซีที่นี่มาทำโรงพยาบาลเหมือนทำห้องไว้ที่บ้าน ว่าด้านแม่เขาเรียกความดันต่ไม่ไหวแล้วจะเอาไปโรงพยาบาลแต่พี่สาวไปรีบจะไปทาบุญน่ะอืพอกลับมาน้ากระดาษมันไปทําไมบุญอ่ะแม่มันนอนอยู่ตรงนี้ยแม่มันเกิดมามันทำให้แม่เนี่ยพระมันเลี้ยงมึงเหรอเออพระมันเลี้ยมมึงหรือแม่มันได้อุตสามาก่อนน่ะไปแบกไปถามมาเอามันเลี้ยงมึงมันทำให้ไม่เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแม่เลยอืมพี่สาวลงไม่ได้รู้ ผมว่าต้องไหนมันผูกอาจารย์ต้องไหนมันผูกต้องไหนมันผิดบางคนมันหลงบุญจนเกินไป <c oughs> มันไม่สามารถพัฒนาจิตใจให้ก้าวข้ามมาได้ติดยึดอยู่นันในส่วนของบุญอันนั้นจนลืมว่าสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่สาคัญที่ <c oughs> ตัวเองควรกระทบมันมันคืออะไร <c oughs> เ, ปเป็นหลงคำว่ า, าบุญ <c oughs> พู้ได้ใจบอกติดดีก็ผิดมีโทษเหมือนกัน ก็จะดีแล้วนะติดบุญติดบุญไงถึงบุญก็ความดีใช่ไหมล่ะถ้าลองไม่ใช้คำว่าบุญดูสิไปทำบาปอย่างนี้ยติดไหมครับก็เขาใช้คำว่าบุญแต่ทิมที่ทำมันจะเป็นบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่เขาใช้ว่าบุญมันล่อคนอยู่ตัวเนี้แต่ทิมก็บุญลออคนขก็ปาก็บุญอ่อกคนแล้วอะไรอีกล่อกก็บุญต่างๆนานาทั้งหลายที่เขาทำกันมันก็ลอกคนพอนเป็นบุญ แล้วบอกไปทําบาปให้เขาไม่ไปด้วยก็บาปเขาก็ทํากันในที่ลับบางทีผมอยากให้เขารู้ว่าอยากให้เขารู้ยังไงเขาก็ไม่รู้หรอใครับ เ, เขาไม่ยอมรับใน ก, การ<ป>ที่จะฟังเราตอนนี้อาจารย์วันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ที่จะไปอีสานนะพี่จะไปขออะไรที่ไปรนาอะไรที่จงได้ค<ท>ำชนโนดคำชโนดเออวันเดี๋ยวที่จะไปอีสานพรุ่งนี้นะ ที่จะไปขอบุญมาฝากบอนนั้นที่คํา้ฉโหนดผมที่ผ่านอาวิชามาผมรู้แล้วเกี่ยวกับพวกนี้ผมไม่เชื่อละมันไม่ใช่เกิดตรงนั้นแล้วก็ครับมันจะมาฝากกันได้ยังไงเนาะพอสสามวันทีวีออกมาก่อคํามฉลอโนดจมน้ำไปสองเมตรตอะนั้นเมื่อไปถกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมไม่ลอยขึ้นมาแล้วก็มานั่งคนะิดอย่นี้เนาะก็ไม่ได้ไปว่าเขาเนาะ เขาเขบอกเขาไปขอบุญมาว่าอาบุญมาฝากแลเราก็เออไปแคคือบางครั้งเราก็าถึงแบบไอ้คนเรามันมันอยู่ที่อยู่ที่ว่าปัญญาของใครกองมันไม่จะคิดได้อืมแล้วพออย่างนี้แหละก็มีอยู่ทุกสังคมมันแหละประเทศนี้ก็เป็นธรรมดานินทานินทาเรื่องของจากพี่น้องอกันไมบางทีมันมันก็มาเปรียบเทียบว่า มันไม่ใช่อะเราอยากจะไม่มีมอะไรจะไม่ยเกเหตุผลไปไหว้พระ ก, ก็คือไปขอเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาประเด็นที่ทําให้อตมาอธิบายทำไมได้ดีกว่าอธิบายยังไงดีเนาะก็คือเนี่ยผอผมผมาอยู่ตรงเนี้่ยจุดเนี้ยก็คือทำอนาปานสติมันมีอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้อีกเยอะมันอันทำก็ทก็ก็ถูกแล้ว แต่อันที่จะต้องเรียนรู้เติมเพิ่มเข้าไปอีกนี้ก็ควรจะต้องมาเรียนรู้ว่าจะต้องเรียนรู้อะไรขึ้นอเงี้ยต้องมาทําความเข้าใจบางเรื่องอัตมาต้องไปการตาําราเพราะเป็นเรื่องอัตมามันผ่านมาแต่ก็ลืมข้าตอนไปบทแล้วครับพอมันผ่านแล้วมันละมันก็วางก็คลายไปจนที่เอามาสอ น, นี่คือพอที่จะทําความเข้าใจให้เข้ากับตําราได้ ค, คือแบบแบบนั่นหมายถึงว่าหลักคําสอนที่บ่งทร ง, รงตัดไว้อานาปานสติที่บ่งทร ง, รงตัดไว้ เราก็กลับไปทบทวนว่าอาตมาไม่ได้ได้มาเพราะอาณาปนานสติครับแต่มาสอนเรื่องพวกนี้เพราะอะไรเพราะเห็นคนทําผิดมากก็เลยว่าหลักคําสอนที่พงศงสอนไว้เราจะต้องเอาหลักคําสอนมาการลักษณ์อธิบายไปตามแต่ละลําดับว่าทํายังไงมันถึงจะถูกต้องครับให้คนได้เข้าใจเพราะเราไปเข้าใจในจุดที่มันถูกต้องในอันหนึ่งแล้วเราก็จะสามารถมาทราบความถูกต้อง แม้อันที่เราไม่เคยทํามาเราก็จะทราบได้ว่าอาการและลักษณะที่โพรงทรงตัดไปนั้นมันเกิดจากจิตดวงเดียวครับแต่มันไหลลักษณะอาการที่คนปฏิบัติบางคนก็ด้วยอานาปานสติบางคนก็ด้วยวิญญาธาบางคนก็พีนาอะไรอิริยาบถบางคนก็พีนาร่างกายเป็นศาสตรศพบางคนก็พีนาจิตแล้วแต่ใครมายังไงครับแต่ สภาพเดียวกันที่จะต้องเกิดหมายถึงว่าตัวตั ว, ต, วตัวความจริงที่มันปรากฏน่ยมันจะต้องเป็นในเดียวกันส่วนอาการหลากหลายมันแล้วแต่บุญวัฒนนาแต่และคนที่ได้สั่งสมมาว่ามันจะเกิดอาการชนิดไหนแบบใดขึ้นมาแสดงให้จิตได้รับทราบที่จะสืบต่อการปฏิบัติของตนเองไปได้หรือเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจตัวเองไปได้คนบางคนทั้งชาติก็ได้แค่ สมาธิทั้งชาติก็ก้าเข้าสู่วิปัสนาไม่ได้ก็มีคนบางคนก็ได้วิปัสนาทั้งชาติก้าเข้าสู่มรรคผลไม่ได้ก็มีคนบางคนก็ได้โสดาบันแค่แค่นั้นน่ะเกินจะภาวนาให้มากไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้ก็มีครับางคนก็ได้สักทาคามีทั้งชาติเนี่ยก็มีบางคนก็ได้อนาคามีเท่านั้นเกินไปกว่านั้นก็ไม่ได้บางคนก็ได้อาราหันก็สีนัสวัคิเรนแต่ละคนมันมีขีดของใจแต่ละคนอยู่คที่เขาทํา ก็เป็นความดีในแต่ละขั้นที่เขาได้ทํำออย่างน้อยเขก็มีความดีในสิ่งที่เขาได้ทําในจุดนั้นอยู่ก็ให้เขาทาไปบางคนก็ได้แค่สีนก็ศีนอย่างนั้นแหละหรือแค่สีนสีนก็ได้ก็ยังดีบางคนก็ทานก็ทานทานทานนทนดีกว่าไปทํำบาปดีกวไปทำบาปดีกวไม่ทำแล้วก็มองในจุดนะคืออาจารย์ถ้าเหมือนอย่างผมนี่คือผมจะต้องพัฒนาคือทำยังไงต่อผมมาจากแค่จุดแค่เนี้ย ทัหมดก็คือเราไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่เราทําแต่เราทำเพราะเราบอกถูกสอนให้ทําหรือเราไปเรียนรู้จากที่อื่นว่าให้ทําอย่างนี้เราก็ลองทําการขาดความเข้าใจโดยการที่เราทําตามที่คนอื่นบอกและแนะนําเราจะไม่มีความรู้เป็นของตัวเองเพราะนั้นคือความรู้ที่คนอื่นเขาบอกมาครับเราจะทําเราจะมีความรู้เฉพาะในสิ่งที่เราทําได้เท่านั้นเนี่ยเกินกว่านั้นเราก็ไม่สามารถทําได้คือเราไม่สามารถพัฒนาจิตให้ไปได้ด้วย ตัวของเราด้วยความสามารถของเราด้วยศักยภาพของเราเราต้องรอฟังครูบาอาจารย์บอกคนนั้นบอกคนนี้ alk, บอกว่าควรทําอย่างนั้นต่ออย่างนี้ต่ออันนั้นเป็นการเรียนรู้ที่ยังไม่ฉลาดพอและอาตมาไม่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติ ท, ทําเป็นอย่างนั้นอาตมาต้องการให้คนที่ปฏิบัตินี้สามารถเรียนรู้และทําความเข้าใจและใช่คือฝนพัฒนาไปด้วยตัวเอ ง, าาไไเองและเข้าใจภายในตัวเองแล้วแก้ปัญหาไ ด, ไ ด, ออดาา้ด้วยตัวเองต่อยอดการปฏิบัติด้วยตัวเองทีนี้การต่อยอดนี้ก็มีความสําคัญอ ย, อยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่า บางทีเราปลูกต้นมะพร้าวานี่เราไปเอายอดมะม่วงมาต่ออย่างเงี้ยมันจะเข้ากันได้ไหมธรรมะอนันดีดีๆเอามาต่อยอดกับตนเองต่อได้แต่ว่ามันคนละยคนละพันกันคนละชนิดกันเราต้องรู้ว่าเราต้องเข้าใจว่าเราควรจะยึดการเริ่มเริ่มต้นการปฏิบัติให้มั่นคงว่าเริ่มจากอะไรแล้วทำความเข้าใจจากสิ่งที่สิ่งนั้นทำให้มันรู้เรื่อง เหมือนกับปลูกต้นมะพร้าวก็ต้องรักษาต้นมะพร้าวจนแตกหน่อออกผลให้มันได้เป็นผลสําเร็จด้วยรูปมะพร้าวไม่ใช่ปลูกต้นมะพร้าวในระยะหนึงยังไม่เห็นผลเห็นหน่ออะไรก็เอาหน่อมม่วงมาต่อย่ตอยอดมันยอดมันก็จะไปเกิดเป็นอะไรเราท <c oughs> ีนี้มันมันสเปซสภาทุกวันนี้เราไปรับธรร ม, มาแบบต่อยอดกันมาเยอะจนไม่รู้เอายอดอะไรบ้างมาต่อมันมันมากมายมไ่เลยไม่รู้จักจุดของตัวเองที่ตัวเองมาด้วยความเข้าใจของตัวเอง อาตมาไม่เคยทำา น, นาปานสติไม่เคยบริกรรมพุทโธคือแม้จะเคยแต่ว่ามันไม่ได้สำเร็จผลพ่อสิ่งเหล่านั้นอาตมาต้องกลับมารู้จักตัวอาตมาเองที่อาตมาเป็นอยู่และก็กําลัง ด, ดําเนินว่าอาตมานั้นเริ่มมาจากอะไรแล้วก็ทําอะไรต่อคือถ้าอย่างนี้ผมก็ต้องทําเริ่มอาทำนาปนานสติ น, นาาสติที่ถูกไหมครับเลืได้ไหมครับหรือว่าต้องต่อไปอย่างทําทำทำได้อ น, นาปานสติก็ทํำได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องเข้าใจอ น, นาปานสติครับไม่ใช่แค่ทําได้ครับแต่ต้องเข้าใจอ น, นาปานสติว่าคืออะไรครับก็คือตอนที่ผมก็เห็นในยูทูปขออาจารย์ผมก็เริ่มตรงนั้นแล้วนะเริ่มได้สองวันวันเนี้ยคือมาก็คือเมื่อวานนี้คือดูดูแล้วกแบบ็ก็ได้ละ ก็มาที่อาจารย์พูดนะนมันมันได้เร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ่อก่อนไม่รู้จะไปไม่รู้ตรงไหนตอนนี้เริ่มได้ละก็มาถึงจุดนี้ก็เลยมาคุยกับอาจารย์แล้วเี่ครั้งหนึ่งที่ทํำโดยที่ไม่รู้ไม่มีครูบาอาจารย์ทําแล้วมันเหมือนกับแบบอนอาจารย์มันจะสลับลงไปอ่ะตัวเราเหมือนกับว่าอู้ไม่รู้นะมันมันเหมือนจะเข้าไปขังอยู่ในห้องห้องหนึ่งอ่ะก็มาอยู่ขังอยู่ในห้องหนึ่งผมก็ในนั้นนี้มันมันเป็นอะไรของเป็นอะไรที่เอาจะเรียกผมก็ยังไม่รู้นะว่า รู้สึกเบานุ่มสบายอันนี้จําจำไว้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าไปเรียกอาการที่เกิดขึ้นว่าเป็นอะไรครับเพราะอาการมันเกิดขึ้นมันก็เป็นอันนั้นของมันแล้วไม่ต้องไปเรียกมันมันเป็นแล้วมันปรากฏแล้วให้รู้มันเลยเข้าใจมันเลยว่ามันเป็นอนั้นแหละอย่าไปเรียกถ้าไปเรียกปุ๊บความันคืออะไรแบบไหนเราจะหลงปนจิตอ๋อปล่อยไปเรื่อยๆใช่นั่นคือการปรุงแต่งแล้วก็ธรรมชาติไปจากต่อหน้าแล้วเราเข้าใจมันเลยตามที่มันเป็นนั่น ปอไปตามตามตามนั้นใช่ถูกต้องนั่นคือเข้าใจครับเข้าใจพอเข้าใจมันก็วางการความสงสัยวิจิตรฉาก็จะไม่เกิดครับเมื่อวิจิตรฉาไม่เกิดเราก็ไม่ได้มีความลังเลยล้วก็รู้อาการที่มันเกิดเพราะอ๋อเพราะเราทําอันนี้มันจึงเกิดอันนี้แล้วเมื่อเราเป็นอย่างนี้มันก็ต้องสบายมันก็ต้องเบามันก็ต้องเกิดครับความเบากายเบาใจขึ้นอย่างนี้ปลอดโปรง่งโลงสบายภายใน ก็ถูกแล้วเพราะเราทํามาอย่างนี้นีๆๆๆๆๆมันก็รู้ขั้นก่อนอ๋อปฏิปทาอย่างนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบ น, บแบบนี้อย่าไปถามที่นี้ว่ามันคืออะไรครับ ไ, ไอ้การถามก็คืออะไรเนี่ยมันจะสร้างวิจิกิจชาร์คือเหมือนมาอาจารย์บอกว่าเป็นเป็นปัจจตังใช่คือเพราะฉะนั้นทำของใครของมันมันไม่มีชื่ออยู่แล้วอย่าไปถามหาชื่อของมันคธรร <laughs> <อ S 1> มชาติเราเนี่ยไม่มีชื่ อ, อมันมีแต่ความเข้าไปประจัดแก้งหรือว่ารู้ชัดกับมันเท่านี้น อย่างนั้นรู้ใครรู้มันนะถูกต้องรู้ใครรู้มันใครไม่สามารถจับพยากรณ์รายนอกจากตัวเองเนาะใช่ก็เหมือนกับเราหายใจเนี่ยจะให้คนมารู้ไหมว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือหายใจยาวออกออกเยอะสั้นยาวเงี้ยไม่ต้องเรารู้ในตัวเราเองก็คือบางครั้งเราเราแบบปาแบบต้องไปไปไปเหมือนกับว่าต้องมีอาจารย์แต่ว่า พอดีก็ไม่รู้นะมันเป็นลักษณะอาการอย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างนี้อาการอย่างนี้ก็เรียกอย่างนี้คนที่เรียกนั่นคือคนที่ยังไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงมันไม่มีชื่อมันไม่มีการเรียกถ้าจะเรียกก็เรียกตามหลักคําสอนที่พวงทรงได้เรียกไว้แล้วนั่นไม่ผิดแต่ถ้าไปเรียกนอกเหนือจากนี้ผิดเหมือนกับมีคนบัญญัติคําว่าจิตผู้รู้ขึ้นในยุคนี้ครับต้องมีจิตผู้รู้จิตผู้รู้มันไม่มีในหลักคําสอน แต่ผู้รู้มีสัมมาสัมพุทธะผู้ได้เจ้าเป็นผู้ตต่สรู้ผู้รู้มีแค่ผู้เดียวคือผู้ได้เจ้านอกนั้นจะมาเป็นผู้รู้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้ได้เจ้าจะเป็นผู้รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไปใช้คําว่าผู้รู้ผู้รู้นี่มันมันเป็นการใช้สิ่งที่เทียบเท่ากับพุทธองค์เหมือนกับเราตัวเองเป็นคนรู้รู้ได้เลยเหรออย่างเงี้ยเราจะอย่าไปใช้คําว่าจิตผู้รู้เราต้องไปใช้ในสีลนิภงทรงบรรยับไปแล้ว นั่นคือคำที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องไปเรียกว่ามันเป็นอะไรทั้งสิ้นคือบางครั้งเหมือนแปว่าเราจะต้องไปรู้จักชื่ อ, อแต่อาจารย์เราไม่ต้องคือเรียนไปเลยไปไปตาม น, านั้นมันเป็นไปตามรู้ใครรู้มันใช่ไม่ต้องไปถามใครอาจารย์ไม่ต้องไปถามมันไปจับ ก, กับเราแล้ว ไ, ไปถามทาไมเร า, มาไปถามคนอื่นอยู่นคนอื่นรู้กับเราไหมล่ะคนอื่นเขาไมไ่รู้กับเรา แล้ยิ่งเขาไปรู้กับเราแล้วเขก็ตอบให้เราอาเป็นอะนนั้นอะไนี้เขาเขาคิดขึ้นจากการความคิดของเขาคืออยากรู้คือเหมือนขอขอเส้นทางอะขอแค่เส้นทางไม่ไม่ได้ไม่ได้แค่เส้นทางมันต้องมันต้องเกิดจากเราเองไม่ใช่เกิดจากคนอื่นมาให้เส้นทางต้องเป็นของเราเองก็มันพระพุทธเจ้าแต่สรุปเลยพระพุทธเจ้าสอนทางสายกลางให้เดินด้วยทางสายกลางด้วยตัวของเราเข้าใจไหมคือถ้าเราเดินสายกลางด้วยตัวของเราก็คือ เราอยู่ในทางสายกลาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปขอเส้นทางกับใครนั่นหมายถึงว่าเราปฏิบัติในสิ่งในในในสิ่งที่เป็นตัวของเราที่เราเป็นอย่าไปถามว่าเราปฏิบัติมาอย่างนี้เราจะทำยังไงพระ อ, องค์อื่นหรือครูบาอื่นท่านก็จะบอกในสิ่งที่ท่านปฏิบัติของใครของมันถ้าท่านบอกในสิ่งที่ท่านปฏิบัติแล้วมันไม่ตรงกับเราเราเราก็ไม่เคยเสัมใช่เราจะไปทําให้เหมือนท่านมันทําไม่ได้ รพระโมคะลานะก็ทําให้แบบภาษาลิบุตรไม่ได้ภาษาลิบุตรทําแบบพระโมคะลานะก็ไม่ได้อถ้าโมคะลานะทําแบบพระมหากระสปะก็ไม่ได้มหากระสปะทำแบบพระนุรุทธะก็ไม่ได้มันเป็นของใครของมันแต่เส้นทางเดินอันเดียวกันนะครั บ, ค, รบคือมันเป็นจุดหมายอยู่ที่เชียงรายคุณจะเดินคุณจะวิ่งที่นั่นแหะถูกต้องแต่คุณอย่าบอกว่าผมผมไปเหมือนคุณแต่ผมก็ไปของของใครของมันก็ไปเหมือนกันออย่างนี้เข้าใจเมื่อก่อนคือบางคนเดินอยู่ว่าว ทำไมมันเหนื่อยจังไอ้คนขับรถกูไม่เห็นเหนื่อยออืก็เราจะไปเอาความเปรียบเทียบของเราไ ป, ไปเปรียบเทียบบุคคลที่นั่งขับไม่ได้แค่ไม่หล่ะไอ้ออกก็มันนั่งขับรถมันก็เลยมีเหนื่อยไอเราเดินเราถึงเหนื่อ ย, อยงไงก็จะเข้าใจอย่างนี้บางคนทำไมปลอดโปร่งล่งสบายบางคนทำไมถึงเร็วก็ขี่เครื่องบินอย่างเงี้ <laughs> <laughs> มันมันแตกต่างกันนี่แต่เส้นทางเดียวกันนะเป้าหมายเดียวกัน ข้อหมายคือสูตนิพพานอ่าวันนั้นผมได้ยินว่านิพพานไม่ใช่ไม่ใช่เดินทางไม่ใช่ว่าไปสูน่นิพพานแต่อยู่ที่ในใจมันเป็นวัวหารพูดนั่นคือวัวหาพูดทำไมถึงว่าไปสู่นิพพานเพามันมีปฏิปทาการดําเนินอยู่ครับปฏิปทาการดําเนินมามาขั้นนี้เช่นมาขั้นใ้ของศีลขั้นของสมาธิขั้นคือเป็นการเดินแต่จริงๆไม่ใช่การเดินความรู้สึกมันแค่การเพิ่มระดับจิตอศีลพอแล้วก็เข้าสู่สมาธิสมาธิพอแล้วก็ก้าเข้าสู่ปัญญา ปัญญาพอแล้วทำให้เกิดวิมุตต์วิมุตต์พอแล้วแบบทำให้ถึงวิมุตติยานัตถสนาแต่มันก็เหมือนกับการเดินน่ะมันเป็นแค่วัวหานพูดแต่จริงๆแล้วมันแค่อยู่ในจิตดวงเดียวเนี่ยมันแค่เปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนอาการเปลี่ยนตามศักยภาพของกุศลธรรมที่มันแวดล้อมกับจิตหรืออาริมัชที่มันส่งผลโครจร อ, อยู่ในจิตที่มันทําให้จิตดวงนี้มันขัดเกลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพิ่ม คุณลักษณะคุณวิเศษคุณค่าของมันขึ้นไปเรื่อยจนเพียงพอต่อการที่จะรู้จักสัจจะพอมันพัฒนาตัวเด่นจนรวดต่อรู้จักสัจจะปุ๊บสัจจะมีอยู่ในธรรมชาติก็เปิดเผยต่อจิตที่เป็นที่ถูกขัดเกลามาด้วยอริยมรรคเนี่ยจนเพียงพอต่อกันที่จะรับทราบต่อกันและกันมีอยายตนะสืบต่อนิพพานคืออยายตนะสามารถเชื่อมโยงนิพพานกับจิตได้ก็จะรู้แจ้งกันทันทีพอรู้แจ้งกันทันทีปั๊บสักยนนตีความเห็นผิดในการยึดมั่นถือมันในตัวตนก็หายไปอย่างนี้ คือถ้าไปฟังการเล่าเหมืนก็ว่าไปสู่มันก็ต้องนั่งเครื่องมันต้องเดินมันนั่งกายก็ถูกก็มันเป็นบูชานก็ก็เป็นการเราก็ยึดถือฐานคือเราเรานั่งอยู่ในฐานฐานก็เป็นยานพานหนะพาเราไปสู่ ส, สู่สู่ที่ลําดับของศีลี่นี่ศีลศีลก็เป็นยานชนิดหนึง่งนําเราไปกระสู่สมาธิที่จริงทั้งหมดทั้งมวลให้มาศึกษาตัวเราเองถูกต้อง เป็นการศึกษาอะไรอยู่ที่ศึกษาตัวเราเองขั้น5ขัข้น4แล้วอาการการที่เราพอแต่คิดว่าต้องรอคอยให้ครูบาอาจารย์มาบอกครูให้คนนั้นมาบอกครูคครู้แนะนำม า, ม า, ม, ามาแนะนําเราอันนั้นจะทําให้เราอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวเราต้องขบคิดขึ้นมาด้วยตัวของเราด้วยสติปญัญญาของเราดูจากตัวเราเองตัวเราเองเ<ส>ทียบเทียงด้วยเหตุผลในตัวเราเองคือบางครั้งแค่แบบเหมือนผมเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลย ก็คือว่ามันมีใครรู้อะไรเลยมาก่อนทัานนั้นอาตมาก็มาจากท้องไม่รู้อะไรเลยคือตอนแรกมันเหมือนกับไปเจอในสิ่งที่มันมันหลายหลากเกินไปแต่มันมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริตของผมเพราะถ้าจริตของเรามันน่าจะเป็นประมาณเนี้คือเราเกิดไปเห็นอะไรเราก็ไม่เคยจะเชื่ออแล้วเราก็ยังไม่เชื่อก็เลยว่าเอออายุขนาดเนี้ยเป็นพูดทําไมท่องอะไรก็ยังไม่ได้ไม่รู้เขาว่าอะไรกันอะก็เลยว่า อายุจนจะถึงขนาดนี้มันน่าจะรู้แล้วเกี่ยวกับคุณซึ่งไม่รู้เลยก็เลยว่าเอ๊ะตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ก็เหมืออาจารย์ออกตอนนี้ไปผมคงจะหยุดแค่ตรงนี้ละศึกษาตัวเองมาหยุดนี่ครับศึกษาตัวเองว่าค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเพราะว่าคือมันมันที่ผมมาถามอาจารย์ผมทําไม่ถูกถูกเลยะเดินทางสายจําไว้เลยว่าอย่าเดินอย่าทําให้มันถูก แต่จงเรียนรู้ความถูกต้องไปเรื่อยๆทํามันต้องมีผิดมีถูกสลับกันไปแต่จงเรียนรู้ความถูกให้ได้ว่าถูกเป็นยังไงเมื่อรู้ความถูกเป็นยังไงตอนทํามันมีผิดมีถูกอยู่อย่างงั้นแหละเมื่อมีผิดมีถูกไปเรื่อยๆอ๋ออันถูกเป็นอย่างนี้อันถูกเป็นอย่างนี้เราไปเทียบความถูกกับสิ่งที่เราเรียนรู้ความถูกไว้อ๋อทําอย่างนี้ถูกอันนี้ถูกกับอันนี้สิ่งที่เรียนรู้มาถูกถูๆๆจับความถูกต้องไม่ได้มันจะค่อยๆคลายความผิดผิดไปต่อนั้นก็จะถูกพอถูกปั๊บมันก็เข้าสู่ มักผลเพราใช่รู้วเใช่แรกแรกผิดหมดอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามทําให้มันถูกตั้งแต่แรกอ๋อมันเหมือนความพยายามกับการการะทำมันไม่เหมือนกันใช่ถ้าเราพยายามทําให้ถูกปั๊บเนี่ยพอผิดมาปั๊บนี่ยเราจะเราจะพลาดเลยเราต้องผิดถูกผิดถูกผิดถูกผิดถูกไปอย่างนี้แหละเราคิดเร่ตัวเองว่าผิดถูกคืออะไรคือชื่อใะน่พระโสดานี่ฟังเทศกับครูทีเจ้าฟังปั๊บเลื่อมใสปุ๊บอยากจะปฏิบัติปุ๊บก็ เทาทางจงกรมเลยโสนะ่ะเดินจงกรมจนเท้าแตกผู้เจ้าก็รู้ว่าโส น, นัะ่ะทําผิดแต่ก็ยังไม่บอกก่อนปล่อยให้ดาเท้าแตกไปก่อนเลือดนองอยู่ต่างทำจงกรมพอเท้าแตกเดินไม่ได้ ก, ก, ก, ด ก, ก็พูกเข่าใช้เข่าเนี่ยพุกเข่าเดินจนเข่าแตกเข่าแตกพุกเข่าเดินไม่ได้คานไว้จนซอกแตกเนี่ยผู้เจ้าก็เลยมองว่าเอาถ้าไป ถ้าไปอีกกว่านี้เนี่ยมันตายแน่ท่านท่านโสนะเนี่ตายแน่ก็เลยเดินไปหาเลยที่ทางจงคุณโสนะแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาบวชนี่ทําอะไรพระองค์เล่นดนตรีมาพระเจ้าข้าเล่นดนตรีชนิดไหนเล่นพินพระเจ้าข้าพินที่ถึงตึงเกินไปมันเป็นยังไงเสียงเสียงที่ตึงเกินไปเสียงมันก็ แปลงๆ แ, แล้วก็วเลลวลาแรงแหลมเกินสูงเกินไปมันก็จะผิดทีแล้วก็เวลาดิดสายอาจจะขาดได้แล้วถ้าพินที่ขึงหย่อนเกินไปเป็นยังไงเสียงมันก็จะเพี้ยนเห็นไ้มละ่ะพึพินที่ขึงพอดีเป็นยังไงเสียงก็จะไเอพเราะก็จะฟ่าความเพี้ยนในธรรมวินัยของเราก็เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ขารที่เธอภาพเพี้ยนอย่างนี้มันมันตึงเกินไปอย่างนี้นะพอเปรียบเทียบกับเสียงพินปั๊บอ๋อทันทีเลยเข้าใจหมายถึงว่ามันต้องผิดก่อนอ๋อครับ <spe aker> เราจะเข้าสู่สายกลางได้ไหมาย้ว่าเราต้องตึงสุดหย่อนสุดอาตมาเนี่ย ต, ตึงสุดก็ตึงมาแล้วหย่อนสุดก็หย่อนมาแล้วตึงสุดนี้ก็จนแบบจะขาดเลยจรยิงๆจนจะตายเลยไอ้ตัวเนี่ยก็เลยมาหย่อนสุดเนี่ยหย่อนสุดก็จนไม่เอาอะไรสักอย่างเลยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนพอเรารู้ว่าเพอมันหย่อนกินแล้วก็นอนแล้วไม่เอาทุระอะไรสักอย่างมันเริ่มจะเสื่อมแลไม่ได้แล้วยกใหม่พอยกขึ้นมาป๊อบมันจะสู่สายกลางเพราะถ้ายกมากกวนี้เรารู้แล้วตึงตึงเราผ่านมาแล้วไง อ๋อถ้าไปวันนี้ตึงแล้วเรารู้เลยถ้าต่ากว่า น, นี้หย่อนแล้วอ๋อเรารู้เลยเพราะหย่อนเราก็เคยเจอมาแล้วไงมันก็เลยจะอยู่กับกลางอย่างเงี้ยพอจะตึงไปปับ๊บมันก็รู้มันก็หยุดพอจะหย่อนไปปับ๊บมันก็ยกขึ้นตึงไปปับ๊บมันก็กดลงพอดีมันก็ไปอย่างเงี้ยจนถึงการรู้ความจริงธรรมชาตินั้นมันก็ไม่มีตึงไม่มีหย่อนได้ที่นี้การตลอดจะทําแทบเป็นแทบตา ย, ยัางไงก็กลางตลอดแด้ทีนี้เขินิ่งนะครับคือการใช่กลางตลอด เพราะฉะนั้นถูกผิดเป็นเรื่องธรรมดาอย่าอย่าไปกังวลคือไม่ต้องสงสัยนะเราหนักไปอยูอมันจะรู้ดีตัวเราก็เริ่มจับความ <ๆ S 2> ผิดกันมาทั้งนั้นแหละนั่งสมาธิกัผิดผิดกันมาทั้งนั้นแหละแต่เราก็อย่าลืมเรียนรู้ความถูกต้องว่าเป็นยังไงท่านั้นเองแต่ตอนทําก็ต้องมีผิดบ้างธรรมดาให้เขาใจอย่างนั้นอย่าไปยึดถือเป็นอารมณ์มากไม่อย่างนั้นจิตเราจะไม่ก้าวไปสติเราไม่ไปสนใจเรื่องอ่ามั่นนิยมแบบไม่ต้องไป ก็เรียนรู้ไวอ๋อเรียนรู้ไว้ก็ยีใช่เรียนรู้ไว้พ่อครับสอนทุกข์พุทธเจ้าก็ควจะเรียนรู้เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมาประกอบจิตพอมาประกอบจิตปั๊บเราก็จะมีคําอธิบายจากสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้ก็คือเมมันตรงนั้นตรงนั้นได้ใช่ไม่อย่งั้นเราก็ไม่มีความรู้มาอธิบายกับจิตตัวเองว่าอันนี้อะไรก็สงสัยอยู่นั่นแหละเหมือนกับสงสัยว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรแต่จริงๆแล้วมันมันไม่มีอะไรหรอก แม้แต่ไม่เรียนรู้องค์มรรคมันก็จะรู้ความเป็นองค์มรรคในตัวของมันเองที่จริงมันมีอยู่ในตัวแลแ้วมีอยูใ่ในตัวเราแ ล, แล้วหาเราทําถูกมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองอัตโนมัติแล้วปฏิจจสมุปบาทเนี่ย <c oughs> คือจะต้องมาท่องท่องแล้วพอดีจากทับท่องเราเราจะได้รู้ว่าการเกิดมันจะต้องมาตามลําดับของมันมีเหตุมีเหตุหมายถึงอะไรครับ ก็ก็ น, นี่คือจะต้องท่องมาทำมาท่องแล้วก็ต้องมาประมวลดูว่ามันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาจมันมาจากเหตุก็เหตุของมันก็คือผลของการกระทํามันเราเรียนรู้แล้วไม่จําเป็นต้องมาท่องขนาดนั้นไ ม, มไม่ต้องท่องนะครับไม่ต้องท่องก็เรียนรู้แล้วว่า ม, มาจากอาวิชชาก็ไม่ต้องไปท่องอก็การเป็นผู้บอลบาทีผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ท่องอวิชชาปัจยาสักขาระจนถึงจบก็รู้ว่าความไม่รู้น่ะ ก็ตามมาเยตัดหาก็เลยมาคือรู้รู้ละแต่ว่าจะไปท่องอยก็เขิจาว่าเอ๊ะสวดมนต์หรือว่าเอ่อเกี่ยวกับสวดมนต์ผมว่าเอ๊มันก็เป็นไปรู้ไปท่องอะไรคือมาท่องตรงนี้ก็ท่องไปเหมือนกับว่าจนจําได้แต่รู้ความหมายถ้าถ้าจําได้แล้วก็ก็ไม่ต้องไปท่องแล้วนะเกิดจําได้แล้วก็วาบแต่มันจะติดอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเราเคยท่อง มันจะติดอยู่กับการที่เราเคยท่องแล้วมันจะท่องขึ้นมาเองอันนั้นก็เป็นธรรมดาก็ไม่เป็นไรครับเราก็เรียนรู้ในในในตัวเราให้มากรับรู้ให้กายอยู่กับให้ความรู้สึกอยู่กับกายรับรู้ความเคลื่อนไหวของจิตรับรู้สิ่งที่มากระทบแล้วก็ไหลรวมไปสู่จิตจิตเป็นยังไงเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เรียนรู้อย่างเงี้ยใช่ครับแล้วมันเกิดมันดับไหมจริงหรือเปล่าว่าสิ่งทุกสิ่งเกิดระดับจริงหรือเปล่าสุขเกิดขึ้นดับไหมทุกข์เกิดขึ้นดับไหม ดีใจเกิดขึ้น <Jub> ม <ilee> ันดับไหมเสียใจเกิดขึ shirt. ้นมันดับไหมพอใจเกิดขึ้นมันดับไหมไม่พอใจเกิดขึ้นมันดับไหมมีอะไรบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับเรียนรู้มันอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันเราจะทราบการเกิดการดับการเกิดการดับชีวิตเราก็เกิดก็ดับตามลมหายใจที่เข้าและออกชีวิตเราชีวิตเราไม่ได้มีอยู่พรุ่งนี้ชีวิตเราไม่ได้มีอยู่เมื่อบรรนนี้ชีวิตเรามีแค่ตอนนี้ที่ลมหายใจเข้าออกนี้ลมหายใจที่มันเคยเข้าออกมาแล้วมันก็ดับไปหมดแล้ว ลมหายใจที่จะมีอยู่ในข้างหน้าก็ยังไม่มีลมหายใจมีแค่ช่วงนี้ที่เข้าและออกนี้ชีวิตจึงมีอยู่จริงจริงชีวิตเรามีอยู่แค่นี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ได้มีอยู่ในอนาคตไม่มีอยู่ในอดีตเพราะอดีตคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วไม่มีอยู่จริงและอนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นจริงมีอยู่แค่นี้ที่กําลังเกิดกําลังดับคือหายใจเข้าหายใจออกก็คือชีวิตที่เกิดดับแต่เป็นการเกิดดับสืบเนื่องให้มีการดํารงอยู่ มันก็จะดำลงอยู่แค่ไหนก็ตามมันก็ต้องดำลงอยู่ไปถึงจุดแตกสลาย <c oughs> คือดับอย่างถาวรแต่มันก็ต้องก่อเกิดใหม่ด้วยความที่การอุปทานขันยังมีอยู่ครับ <c oughs> มันก็ต้องก่อเกิดใหม่อันเนี้ยตามใดที่เรายังไม่สามารถทํำลายอุปทานของขันได้ก็ต้องเกิดอีกเกิดอีกก็ต้องดับอีกเนงะี้ยแหละเกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ด บ, ดบ อ, อย่างเงี้ยแต่ผมว่าพอมาศึกษาต้องไม่รู้สึกเราเราเหมือนมีปัญญาะะอะก็ต้องมีปัญญาศาสนาที่ใช่ปัญญานะน มันเหมือนว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปอิจฉามไม่ต้องไปว่าเมื่อก่อนเห็นเขาทำตรงนั้นตรงนี้เราี่ไปคิดแทนเขาหมดเพอาะตรงน้เหมือนว่าเห็นก็สักแต่เห็นอืมแล้วก็เลยมานั่งรู้ว่ามันเป็นกรรมของใครของมันก็เริ่มรู้ว่ากายนี่คือก้อนกรรมเมื่อก่อนเราเหมือนจ ะ, จะไปเห็นเขาก็ไปคิดภาวิจารณ์เขาทจริงๆมันเป็นของใครของมันก็เริ่มมารู้ตัวว่าอย่าไปสงสารอย่าไปคิดแทนเขาคิดแค่ตัวของเราก็คือเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็เลยคือว่าอยู่ได้ตรง ตรงนี้ก็คือมีความสุขเกิดใจไม่ต้องไปคิดเริ่องชาวบ้านดีมากไม่ต้องไปคิด ม, มากมา่ก่อนต้องคิดเหมันทุกโรกของมนุษย์ทุกวันนี้คือการค่าสอนให้เราคิดไม่ให้เรามีปัญญาได้คิดคิดคนไห้คิดเก่งคือคิดได้แต่ไม่มีปัญญามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับคนเรามันมีความทุกข์เท่าๆกันทั้งหมดมันอยู่ขึ้นอยู่ที่ว่าใครสามารถวางทุกข์ได้มากกว่ากันใครวางทุกข์ได้มากก็ไม่ยถึงไปทุกข์มากใครวางไม่ได้เลยก็ต้องแบกทุกไปก็เป็นธรรมดาก็ใครบอกจะวางไม่ได้เอง จะไม่หรอกพอมาถึงตัวนี้คนไหนวางให้เร็วคนนั้นเบ า, บาคนคนนั้นก็จะรู้ชัดภายในตัวเองเป็นปัจจตังเลยแหละว่าอ๋อพอวาง<ช>เรืเ่องนั้นเรื่องนี้นีเน่เองเราเลยเบาสบายอย่างนี้แต่ไปมวัวใจยืดอยู่นัะตายฮมีแต่ความทุกทับผมกิจครับเหมือนกับผู้เขาอยู่ทับอกอยู่อย่างนี้ก็เขาบอกว่ามีทองข้หนดลูกนอนสะดุ้งทั้งคืน <laughs> คนที่มันมีทรัพย์สมบัติมันเยอะขนาดนี้นจา้าผมันก็มาเปรียบเทียบมันคงต้องไม่ใช่สะดุ้งมันขวาเลยน่ะเพราะว่ามันกลัวคนนั้นคนนี้กลัวเขาจะเอาไปอ่ะเรามา น, นั่งคิดอ๋อแล้วมีท่านท่านบอกไมีทอทั้งหมดกุ้งแน่ยนอนสะดุมม้งต้องคือก็เลยมันนั่งคิดเออมันก็ไม่ต้องไปขวาเลยถ้าเราไม่มีอะไรเราก็เฉยเฉย จะอนี่เกี่ยวไหมถ้าเกิดว่าพ่อแม่เราป่วยซึ่งกําลังจะทําการละหรือตายนะเราเอาธรรมะเปิดให้กานฟังก็ดีก็ดีใช่ไหมเขาบอกเขาตรงนั้นเขาจะละสังโยชน์ได้ละอะไรได้ไหมละไม่ได้มันคนเรากิจของการละไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นเขาบอกข้อที่ฟังธรรมะคนเป็นฟังธรรมะยังละไม่ได้เลยเขาบอกเขาบอกช่วงนั้นคนคนนั้นเขาเรียกว่า กิจเป็นกุศลน่ะแน่นอนแต่การที่ทํากิจในการละอาสวะเป็นไปไม่ได้ขอยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้คนคนเป็นๆนีปน่ปฏิบัติแทบล้มแทบตายก่อจะได้กว่าจะได้รู้ว่าการละอาสวักกิจเป็นยังไงกว่าจะได้รู้ว่าตึงเป็นยังไงกว่อนได้รู้ว่าหย่อนเป็นยังไงแล้วโองทรงตัดกํากับไว้ชัดเจนว่าจิตที่ควรแก่การบรรลุธรรมหนึ่งจิตนั้นน้อมเชื่อในปัญญาการตัดสรู้จริงของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่สอง ร่างกายแข็งแรงอ๋อถ้าคนป่วยหมดสิทธิ์เลยครับหมดสิทธิ์แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คนป่วยบรรลุธรรมเป็นไปได้ครับแต่ไม่ใช่ในบุคคลทั่วไปคนที่ป่วยใกล้ตายแล้วบรรลุธรรมก็ไม่ใช่น้อยก็มากเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนทั่ ว, วไปที่จะสามารถเป็นอย่างนั้นได้ มันหมายถึงก็คนที่อบรมตัวเองมาอย่างดีแล้วใช่พุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมในปฐมวัยแล้วไม่บรรลุก็มาปฏิบัติทีอีกในมัชฉิมวัยไม่บรรลุปฏิบัติอีกในปัจฉิมวัยไม่บรรลุพระุทธเจ้าบอกไม่บรรลุตอนในปัจฉิมวัยจะบรรลุตอนใกล้ตายคือสะสมมาเยอะละใช่เมื่อบรรลุตอนใกล้ไม่บรรลุตอนใกล้ตายละไปแล้วไปบังเกิดเทวโลกทำแห่งการปฏิบัติจะผุดเปิดเกิดขึ้นในจิตในเทวโลกแล้วปฏิิพัติในเทวโลกได้ เพราะนั้นการปฏิบัติทำไม่ไร้ผลการที่ยัคนยังไม่เคยยังไม่เคยฝึกตนตนเองมาอย่างเต็มที่หรือสมาธิิยังไม่ตรงมาตั้งแต่แรกรจะมาฟังตอนก่อนใกล้ตายนี้แล้วบรรลุนี่มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดยืนยันยืนยันเลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นก็ที่เคยได้ยินมาก็บอกว่าจิตสุดท้าย กิจสุดท้ายฟังธรรมมั น, นวงเหนียวเป็นกุศลธรรมได้กิสุขท้ายรวงเหนียวเป็นกุศลธรรมได้แต่นวงเหนียวมากผลไม่ได้ได้เกนะ ไ, ได้กุศลธรรมแต่มากผลไม่ได้ยืนยันไปเป็นยงมกผลคือต้องสะสมมาโอโ้โหมาผล น, นี่เป็นเรื่องงั้นคนใกล้ตายไปเปิดให้ฟังมาลูกกันหมดอตาตมาไม่ต้องมานั่งสอนคนเป็นแล้วเนี่ย ผู้รัาตกไม่ต้อทางสอนหมดเป็นตอนตายได้ฟังเสียงของธรรมะดีกว่าไม่ได้ฟังอะไรก็อาจจะต้องลุบสร้าบไปอย่างใช่อย่างน้อยได้จาตุมจาตุมมหาราชิกาก็ยังดีกว่าดีกว่าสิครับแต่มรรคผลไม่ได้แน่นอนเพราะมรรคผลมันต้องมีกิจในการละกิจในการละคืออะไรต้องรู้จักทุกรู้จักเหตุให้เกิดทุกรู้จักความดับไปของทุกรู้จักทางดับทุกเมื่อรู้จัก4ี่ประการนี้จึงจะสามารถทํากิจในการละอาสวะได้ เมื่อไม่รู้อยากศีระการนี่จะทํากิจในการละอาสวะไม่ได้แล้วคนที่ไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิมาแต่เดิมเนี่ยแล้วจะไปทํากิจในการละมันยากมากมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ยืนยันแล้วไม่ได้เด็ดขาดแค่การฟังก่อนใกล้จะตายแล้วไปฟังแล้วบรรลุไม่ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ทํามาจนจะตาย ย, า<ผ>ยังไม่ได้เทบเขาเรียกว่าหมดสติ <c oughs> มาแล้ว มันก็ยังโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะการรู้จิตที่น้องนําไปในทางที่ดีก็คือยังดีกว่าว่าเป็นสุขติภูมิอันนั้นแน่นอนอันนั้นยอมรับอยู่ก็แค่นี้ก็ยังดีครับต่อใช่ดีสิดีดีกว่าปล่อยจิตให้ไปเกาะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นอดีตเพราะว่าก่อนใกล้ใจจิตสุดท้ายนี่นะที่มันจะดับตัวเข้ามาเนี่ยมันจะต้องยึดถือคติเขาเรียกว่า คตินิมิตนิมิตแห่งการการทำที่ตัวเองเคยทํามาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนใกล้ตายเนี่ยมันจะเป็นภาพเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากจิตสุดท้ายจะต้องมันเป็นกดตายตัวแล้วว่าจะต้องยึดเอายางใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ในการุฏิใช่มันจะต้องเอาถ้ายึดเอาบุญก็ปฏิบไปก็ไปสุคติแล้วในระหว่างนั้นอ่ะเกินนิมิตของเสียงธรรมเข้าไปในหูเนี่ยมันก็ยึดเอาเสียงธรรมแต่อย่าลืมนะ ก่อนจะตายจริงๆแม้ภายนอกจะได้ยินเสียงทำเนี่ยก่อนจะตายจริงๆเนี่ยละมันจะหมดการรับรู้ทางกายก่อนแล้วหดตัวไปอยู่ในตัวของจิตเสียงก็จะไม่ได้ยินครับภาพก็จะไม่ได้เห็นการตอบสนองและรับรู้สึกภายนอกก็จะไม่มีนี่คือความจริงรพอมันหดไปอยู่กับตัวเองปับ๊บมันจะค่อยๆเริ่มดับตัวของมันแล้วมันจะมีแต่ภาพของกรรมนิมิตที่ทำผนะ่านมาใช่เสียงภายนอกมันจะตัดไปหมดเลย คือกายนี้ไม่สามารถทรงอยู่ได้อีกแล้วก<ง>ายจะแตกไปเลยใช่ไ ม, ไม่ไม่มีการรับรู้แล้วมันถึงจะต้องไปหาล่างใหม่มันก็เลยรวบรวมตัววิญญาณขันนี้นนะจะรวบรวมคติแห่งกรรมทั้งหมดค่ะคตินิมิต<ๆ>เคยทําอะไรมาถ้านั้นบันดุดับตัวเองก็จุติทันทีปฏิสนธิสื่อต่อครบทันทีไปสร้างพสร้างชาตด้วยกรรมวิบากนั้นใช่ก็ไม่ง่ายครับ ไม่ง่ายนะจิตถ้าไม่ฝึกมานี่นางมาริกาทำบุญกับเพื่อได้เจ้ามาเป็นทานที่เรียกว่าอสสทิสถานทานที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นทานที่ยอดเยี่ยมที่สุดคก่อนใกล้าตายไม่ได้อบรมจิตตัวเองอไปจับคตินิมิตรกรรมที่ไม่ดีไว้ไปตกนรกยอยู่เจ็ดวันเจ็ดวันก็ไม่น่าไปะนะนรกคือทั้งหมดทั <laughs> ้งหมดทั้งม ด, มดก็คืออยู่ที่จิตตัวเดียวแนะจิตตัวเดียว อะไรก็ตามที่เรารับรู้รับทราบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรวมไปสู่ที่จิตพอรวมไปสู่ที่จิตปั๊บก่อนใกล้าตายมันจะโผล่ออกมาโผล่มาหมดเลยมั น, น, นเหมือนนะเราเราเราจาับผู้รายมาแล้วก็เหมือนกับกูจะต้องสารภาพตรงนั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เคยถ่ายเทอารมณ์เหล่านี้ออกจากจิตรเรามีแต่เก็บเป็นอยู่ในตัวผ้าวังผู้ปฏิบัติธรรมจะถ่ายเทอารมณ์พวกนี้ออกมาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ ความคิดพวกนี้จะออกมาความคิดคือสิ่งที่เราเคยทํามาทั้งหมดความจําสัญญาขันคือสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดมันจะผุดออกมาผุดออกมาแล้วก็จะเรียนรู้ความคิดเหล่านี้เกิดดับเกิดดับนั้นคือการไถเทระก็ดับดับคติอิมิตพวกนี้ที่จะเป็นเครื่องแวดล้อมจิตดับดับดับดับดับดับดับดับจนรู้แจ้งในอริยมรรคอริยผลดูเกิดดับในขันเนี่ น, นนะเวทนาสัญญาสัญญาวิญญาณขันเน่เนยเกิดดับเกิดดับจนเขารู้แจ้งในอริยมรรคผลมันจะดับพบที่แป เขารู้แล้วเขาวางเขารู้ว่าแต่ใช่แต่คนทั่วไปเรื่องเรื่องเกิดขึ้นในจิตเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไม่ยอมปล่อยให้มันไายเทออกมาแม้แต่ไปนั่งทำสมาธิก็คือปิดปิดอารมณ์ไม่ให้โผล่ขึ้นมาครับเข้าใจว่าอารมณ์นั้นเป็นเป็นเครื่องก่อป้วนจิตตัวเองเป็นทําให้เกิดจิตฟุ้งซ่านแท้ที่จริงแล้วจิตมันมีลักษณะของการไายเทอารมณ์โดยอัตโนมัติผ่านความคิดผ่านความทรงจำแต่เราไม่รู้ความคิดและความทรงจำตามความเป็นจริงเราเข้าใจว่าเรื่องนั้นเป็นอารมณ์ที่ ปอกวนเราอันนั้นแหะคือมิจฉาทิถิแล้วเราไปทําสมาธิปิดไม่ให้เกิดความคิดคไม่ให้อารมณ์ถูกถ่ายเทออกมามันเลยไปเป็นคตินิมิตก่อนตายตายทุกๆเรื่องเพราะนั้นพระอาเรียเจ้าท่านเลยไม่มีคตินิมิตพวกนี้อยู่ไงท่านไม่มีอดีตไงอนาคตท่านมีท่ามีแต่ปัจจุบันปัจจุบันท่านก็รู้การเกิดดับเกิดดับมันก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับ เรื่องราวผดเกิดขึ้นในจิตก็ดับไปเกิดขึ้นในจิตก็ดับไปท่านถ่ายเทอารมณ์ออกอยู่ตลอดเวลาด้วยอะไ ร, ะระาาไม่ใช่อ น, นาปนสติอ น, นาปนาสติถ่ายเทอารม์ไม่ได้มีปัศนาญาณด้วยมัรคญาณผลญาณของท่านล้นสูงกว่าอ น, นาปนสติสูงกว่าสิคือตอนนี้ยังไม่ถึงได้ใชตรงนี้เใช่เริ่มต้นก็เริ่มต้นจากตัวนี้ไปเรียนรู้ไป อกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรเาถือว่าอาจารย์คนที่จะตายคือเก็บเหตุการณ์ทั้งหลายรวมไว้เก็บ<ต>ไว้มันเก็บแบบอัตโนมัติอะไรแต่ตอนที่ถ่ายเทออกเราไม่ยอมให้มันถ่ายเทออกตรงเนี้ยถ้าเราถ่ายเทคือเราทําอนาปนานสติหรือเราทําเรารู้เห็นถึงการเกิดการดัมนเราปล่อยแม้เราจะไม่ทำอนาปนานัสไม่ทําสมาธิหรือไม่ทําอานาปนานสติก็ตามสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่อยากจะคิดมันก็คิดครับมันคิดความทรงจําบางความทรงจําที่เราลืมไปแล้วแต่บันปากิดขึ้นมาได้อีก นั่นคือการถ่ายเทอารมณ์ของอันแต่เราหนึ่งเราไปห้ามความคิดสองเราไปไ ป, ไปไม่อยากให้ความรู้สึกอยนี้เกิดขึ้นอีกอนึกถึงหน้าคนที่เราโกรธเราก็ยังมีความรู้สึกอยากจะโกรธเขาอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมนี่ทั้งๆ ท, ที่เรื่องราวที่เคยขัดแย้งกันผิดใจกนันก็ล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วพอมันถึงการถ่ายเทออกมาเราไม่ยอมรับเรื่องราวเหล่านี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้ว เราไปเข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจังเราไปยึดมันหนึ่งเราไปยึดมันแล้วปรุงแต่งต่อจากสิ่งที่มันเกิดขึ้น 2. อีอบอกบุคคลหนึ่งก็จะทําวิธีการดับมันโดยการทําสมาธิหรือกดข่มเนี่ยแล้วไม่ให้มันเกิดสําหรับบุคคลผู้จเจริญนิพพานะจะปล่อยให้มันเกิดจะรู้ตามความเป็นจริงว่าอันนี้คืออดีตเป็นแค่สัญญาขันความทรงจําตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ไปสุดท้ายมันก็ต้องดับ ท่านก็จะดูการเกิดการดับการเกิดการดับอย่างนี้ในจิตมันก็จะถูกละออกละออกละออกละเอาถ่ายเพเอากถ่ายเพลย์อ อ, อช่วงนั้นเกิดจิตเราไปติดกับอารมณ์ตรงนั้นเ้าไปปรุงแตง่งเราก็ต้องทราบการปรุงแต่งว่ า, าจิ ต, ตจิตเราตอนนี้เราผ่าดการปรุงแตง่งไปแล้วเราต้องมาตั้งสติใหม่ไปที่ว่าอาจารย์เราเริ่มต้นที่ว่าขวัทับซ้ายหรือว่าดึงมาตรงนั่งใหม่ใช่เราต้องใช้วิธีนั้นก่อนเพื่อให้มีสติอยู่ในภายในตัวเอง ส่วนเรื่องเราภายในจิตที่มันคิดมันจะถ่ายเทรเรื่องใดออกออกมานั้นปล่อยให้มันถ่ายเทออกมาเลยแต่สําคัญเรารับรู้อยู่ที่มือขวาทับมือซ้ายในขนะที่มันเป็นอารมณ์ <c oughs> ออกมาพวกเนี้ยให้รับรู้อยู่ที่มือขวาทับมือซ้ายต่อเนื่องกันพราะความรู้สึกนี้จะไม่ได้หลอกเรามันเป็นความจรงิงเพราะเรากําลังทําการความรู้สึกอยู่กับตัวเองอยู่เพราะเรากําลังนั่งอยู่แต่เรื่องราในจิตมันหลอกเราได้ปล่อยให้มันเป็นปล่อยให้มันไปอย่าไปห้ามมันอย่าไปอยากดับมันอย่าไปปรุงแต่งต่อจากมัน อดทนดูอาการเกิดขึ้นและการดับไปของมันแล้วเราจะเห็นความจริงอย่ไม่ต้องไปดึงนั่เฝ้าหมายจันทร์บอกว่านั่งเฝ้าดูแต่ว่าอย่าไปดึงมันมาพวบคุลมันจะไปบังคับครับมันจะเป็นธรรมชาติทุกอย่างจะลงสู่ความเป็นธรรมชาติทุกครั้งคือต้องดึงและทีนี้พอจิตมันจะติดการลงก็ดึงแล่อาจารย์มันยังเป็นการปรุงแต่งใช่การปรุงแต่งอีูตลอดเวลาดึงเยว่าไปบังคับกันอยู่ก็การเป็นเหมือนว่าก็แค่เนี้ย ก็พอมาเจอแบบอาจารย์เราใล่ไปตามลำดับราทีนี้จิตจะคิดก็ปล่อยมันไปเราก็มามาดูมาอยู่ที่มือขวาทับมือซ้ายนั่นคือความรู้สึกมันติดอยู่ตรงนั้นหรือมันจะเข้าไปรับรู้ลมไ็ให้มันรับรู้ลมถ้าลมเด่นก็ให้รับรู้ลมที่เด่นพร้อมกับเห็นความคิดที่มันคิดในเรื่องแต่ละมันไปเรื่อยๆมันจะคิดเรื่องอะไรก็ตามขอให้เราได้รับรู้ที่มือขวาทับมือซ้ายได้อย่างติดต่อเนื่องครับจะคิดเรื่องอะไรก็คิดไป เราจะรู้เพียงแค่ว่าอันั้นแค่สิ่งที่จิตคิดขึ้นอันนั้นแค่เรื่องความคิดไม่ใช่ความจริงความจริงคือเรานั่งอยู่นี้ส่วนความคิดเป็นเรื่องความคิดมันคิดผ่านไปได้หมดแล้วะคิดไปได้สารพัดสังเกตว่าเมื่อมันมันอารมณ์ทางจิตมันถูกทายเทผ่านความคิดอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเราจะเจอความว่างในจิตคืออารมณ์เหล่านี้จะไม่เหลือเลยมันทายมันจะไปเจอความว่างอีกทีนี้อ๋อพอมันหมดแล้วมันก็ว่างทีนี่พอว่างก็ว่างไปหมดเลยทีนี้ มองอะไรก็ว่างไม่หมดเลยว่างไม่มีอะไรกวนจิตอีกทีนึงอ้าแม้กระทั่งว่าหยุดทําแล้วก็ยังว่างอยู่เพราะทำไมมันว่างอย่างนี้ว่างอยู่ทุกขณะก็มันไม่มีอารมณ์ตกค้างแล้วนี่ก็ว่างมันละทายไปจนหมดนะก็หมดไปแล้วมันมันออกกดปล่อยไปใช่สําคัญคือคนไม่อยากจะปล่อยมันออกเลยไปกดมันไว้หน่ไปบังคับมันไว้ สำคัญมันอยู่ตรงนี้ปฏิบัติผิดตรงเนี้แต่ามาจริงสอนลูกศิษย์จุสมว่าเนี่ยเหมือนกับเราจิตเราเมันแบบแก้วใบนี้ครับอารมณ์เหมือนกับสัตว์นะสัตว์พิษแมลงป่องบ้างตะขาบบ้างแมงต่อแมงแตนบ้างอยู่ในนี้อารมณ์ทั้งหลายที่เรามันผ่านเข้ามาเนี่ยโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังกันพอใจไม่พอใจพวกนี้ความขัดแย้งต่างๆถูกเก็บไว้อยู่ในนี้พอมันจะไต่ออกเราไม่ปล่อยให้มันไต่ออก เราไปปิดมันไว้ด้วยสมาธิพอเราปิดมันไว้ด้วยสมาธิเราไม่เห็นมันแล้วเราบอกสบายเราสงบเราไม่เห็นมันแต่มันกัดกินอยู่ในใจเราไม่รู้มันอยู่ภายในนี่เราไม่รู้มันเป็นอนุสัยมันเป็นอาสวัคเกเรตมันหมักดองสันดานอยู่ในนี้เราไม่รู้แล้วคนที่นั่งสมาธิหาคาสติเมื่อไหร่หมายถึงว่าเขาสงบใจในขณะที่นั่งได้แต่เวลาไม่ได้ทําสมาธิหมายให้เขาเปิดตัวนี้ออกมา เวลาเมง่มงปองเมงอะไรออกไตออกมานี่แมงตอแมงแตนไต่ออกมามือกับว่าอารมณ์พวกนี้โผล่ปรากฏมาคนนั้นจะโกรธได้เยี่ยมมากกว่าคนอื่ น, นค น, นที่ ม, มีสมาธินะนานานใช่จริงๆอันนี้คือความจริงมีผู้พิพากษาท่านหนึ่งมาถามมาตมาผมแปลกใจพระ อ, อาจารย์แปลกใจอะไรพลรยาผมไปทํานั่งสมาธิทุกวันก็บอกสงบอบสง บ, สบแต่เวลาทําไมโกรธเขาโกรธรุนแรงเหลือเกิน โอ้จะเป็นจะตายโกรธเอาจะแบบบ้านจะแตกกันนู่นเ <c oughs> <c oughs> ขาว่าก็เขียนก็บอกเขานั่งสมาธิสงบอยู่ทุกวันทุกวันเอาท่านเละคือประเภทที่ปิดเขาไม่ปล่อยใช่ไม่ได้ปล่อยให้ <c oughs> มันออก <c oughs> แต่ถ้าเราเห็นอารมณ์มันผู้จเจริญวิปัสนา จ, จะเห็นอารมณ์วิปัสนาคือการเห็นอะไรเห็นความจริง <c oughs> ปัสนาคือความเห็นวิคือวิเศษหรือว่าความแจ้งเห็นแจ้งอะไรเตะออกมาแล้วก็รู้อันนั้นเลอ๋ออันนี้เป็นเมฆปอง อันนี้เป็นตะคาอันนี้เป็นแมงต่อแมงแตนอันนี้เป็นอันนี้อ๋ออารมณ์เหล่านี้มันล่วงไปแล้วเราเคยเก็บไว้เราเคยขัดแย้งกับคนนั้นจะทราบทีนี่ทราบลุกมันไต่ออกไปก็ปล่อยมันไต่ออกไปพอมันไต่ออกไปหมดแล้วล ว, ว่างเลยทีนี่แก้วใบนี้ว่างอยู่แล้วไงพอแก้วว่างก็สบายจิตว่างก็สบายแต่ความสบายนั้นยังไม่ใช่ผลแห่งการบรรลุเป็นเพียงแค่พื้นฐานแห่งการดูการเปลีนดับในอันต่อไปในอันปัจจุบันที่กระทบ ทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดการสะสมรู้การกระทบปับปป๊บเกิดปุ๊บรู้ปั๊บดับปัป๊บไม่มีสะสมอีกเราก็ต้องไม่ต้องมาทํากิจในการปิดอารมณ์ในจิตอย่างนี้อีกยมันก็จะคลายมันจะละละละดูเกิดดูดับอารมณ์ที่มากระทบจิตเห็นการเกิดการดับเราก็เห็นการละการคลายการวางมันจะละจะคลายจะวางอยู่ตลอดไม่ก่อเป็นภพเป็นชาติมันก็จะดับดับดับดับดับเรา้ปแต่นะอาจารย์เห็นก็เห็น ใช่หนึ่งไม่ปรุงแต่งต่อไมู่ก ส, <Par> สองอยา่ยาห้ามมันอย่าอยากดับมันสา ม, มสามอดทนดูแต่มันเป็นภาษาเหมืกันใช่เป็นภาษาภาษามันก็ผ่านแล้วผ่านเลยผ่านผ่านไปก็ไม่มีนย่อะไรเรื่องของเมื่อวานเราเอากลับคืนมาได้ไหมล่ะเรื่องของเมื่อเช้านี้เรากลับคืนมาได้ไหมล่ะเรื่องของชั่วโมงที่แล้วเราก<ป>ลับคืนมาได้ไหมล่ะเรื่องของนาทีที่ผ่านไปตอนเนี้ยเรากลับคืนมาได้ไหมล่ะ มันมีแต่ร่วมไปละไปหมดไปหมดไปหมดไปเหมือนน้าแข็งละลายไลยจนหมดวันคืนก็หมดไปหมดไปชีวิตเราไม่ได้ยาวขึ้นนะทุกคนที่หายใจเข้าหายใจออกและผ่านวันผ่านคืนก็คือเดินไปสู่ความตายเท่านั้นเองทุกคนเดินเข้าไปหาความตายกันทั้งหมดแล้วจะมามีอัตราตัวตนอวดดีอวดเด่นอวดเอาดีเอาเด่นอะไรกับร่างกายอันนี้มันเ อ, เอาดีเอาเด่นอะไรกับร่างกายนี้ไม่ได้หรอกมันมีแค่ความแก่ peaks, ความเก็บความตายเท่านั้นที่ให้เรา มันไม่ได้ให้เกินไปกว่านี้แต่เรามาหลงวมม่ามันมีสุขอยู่ในนีน้นี่สุขอยู่ในกายนี้กันเลยกอบปลอยสุขตัก ต, ตวงความสุขสแสวงหนาะความสุขใส่ตัวลืมวันลืมคืนลืมความเป็นความตายที่จะมาเกิดต่อหน้าเราในอีกกี่วันข้างหน้าหรือกี่ปีข้างหน้านี่ไม่ห่ะกจะอยู่ได้อีกกี่ปีก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นต่อมาแต่ผ่านมาแล้วกี่ปีพอรู้ได้อยู่เนาะข้างหน้าไม่รู้นาวันเกิดก็ไม่รู้วันตายก็ไม่รู้ ว่าเอาวันเกิดทํำไมจะไม่รู้ก็รู้อยู่วันเกิดวันนั้นวันนี้ถามว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าเราเกิดวันนั้นเลยไหมหรือต้องมีคนมาบอกเราไม่รู้เนาะเราไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าเราเกิดวันไหนวันตายก็ไม่รู้ต้องบอกว่าพ่อแม่บอกว่าเกิดเราบอกว่าเราใช่บางทีพ่อแม่บอกผิดด้วยเกิดวันนี้เพราะเกิดสมัยโบราณเอาจะก้อนถ่านไฟเขียนไว้ข้างเสาเรือนจจิตจิตจิตต้องคุ้มครองคุ้มครองกายใช่ไหม มันไม่ต้องไปคุ้มครองจิตเป็นจิตกลายเป็นกายจิตกับกายเกี่ยวโยงและสืบเนื่องกันทํางานร่วมกันอยู่อย่างนี้มันการฆ่ากับจิตมารวมกันใช่อาจารย์าะพลที่บอกวา่าเราไม่ต้องมีพระพเครื่องพระอะไรมาคุ้มครองจิตเรานีแหละจะคุ้มครองตัวเราเองคือความดีมากกวา่าเป็นความดีมากกว่าใช่ความดีจะคุมครองเราเพราะชีวิตนี้เป็น <c oughs> ไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกนี่เป็นสัจจ์เมื่อชีวิตเป็นไปตามกรรมเราจะเอาอะไรมาคุ้มครองถ้าเราไม่เอากรรมดีมาคุ้มครองเรา การกระทําดีของเราเองจะคุ้มครองเราเขาบอกว่าจิตเท่านั้นที่จะคุ้มครองเราจิตติดอยู่กับกายนี่ก็ไปแขวนห้อยตาใครจะว่ามายังไงก็ตามแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมเท่านั้นที่จะคุ้มครองเราดีและสิ่งที่จะทําร้ายเราก็คือกรรมเรารดีัคบถูกต้องไม่มีใครมาทําร้ายเราเมื่อเรารู้ว่าไม่มีใครทําร้ายเราเราจะมาคุ้มครองทําไมคุ้มครองตัวเองทำไมใช่ ก็กรรมเราทําเราควาทำทำมดีก็คุ้มครองเราเองดีเองถ้าจะไปป้อง <c oughs> กันแล้วปกป้องอะไร <c oughs> ก็ระวังแต่ว่าอย่าทํากรรมไม่ดีก็แล้วกันหรือถ้าเผลอทํากรรมดีไปอย่าไปยินดีในกรรมที่มันไม่ดีถ้าเผลอทําพลาดทําในสิ่งที่มันเป็นความผิดก็อย่าไปยินดีหรืออาจจะอยู่ในวิถีของการต้องทําผิดอยู่จะทํำยังไง <c oughs> ก็งดเว้นในการบางครับแปดําหรือสิบห้าคำงดเว้นบ้างอาการที่งดเว้นก็จะปิดกรรมนั้นไว้ชั่วคราว อาจรกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเจตนาเนี่ยถือว่าเป็นกรรมก็เป็นกรรมเกิดทํำไปโดยไม่ได้คิดหรือว่ามันพาดไปก็ไม่ใช่กรรมก็เป็นกรรมแต่มันเบาบางกว่ากันแต่เป็นแต่เป็นกรรมกันแต่ซึ่งเจตนาเนี่ยก็คือกรรมกรรมมันเป็นอโหสิกรรมกรรมที่ไม่เป็นกรรมอโหสิคือไม่เป็นจะเรียกว่ากรรมแต่จะเรียกว่าเป็นกรรมแต่มันก็ไม่เป็นกรรมก็เรียกเป็นอโหสิทีนี้ หากกรรมอื่นไม่ให้ผลอโหสิกรรมจะให้ผลคือกรรมที่ไม่เจตนาจะให้ผลเช่นเดิมไปเหยียบสัตว์ตายโดยไม่เจตนามันเป็นอโหสิกรรมนะแต่อโหสิคือกรรมที่ไม่เป็นกรรมแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่กรรมบางกรรมที่ไม่ให้เป็นกรรมก็ในว่ากรรมเกิดใจใช่ไหมล่ะทีน <beh, S 1> <c oughs> ี้เขาเขาไม่ถือว่าเป็นกรรมมากเมื่อกรรมอื่นไม่ให้ผลอโหสิกรรมจะให้ผลคือเราจะต้องถูกคนอื่นเหยียบโดยที่ไม่เจตนา อาจจะเดินเล่นอยู่กลางถนนรถพุ่งมาชนเฉยๆนี่เขาก็ไม่มีเจตนาที่จะชนเราหรอกก็เป็นกรรมที่ไม่เจตนาการละแค่กรรมโดยการที่ไปดับภาษาครับ ด, ดับภาษาโดยการที่ว่าเราไม่ต้องไปไปปรุงแต่งก็คือการแก้กรรมรเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมเก่าคือกายวาจาใจครั บ, รบกรรมใหม่คือสิ่งที่เราอาศัยกายวาจาใจแล้วก็ทําลงไป การดับกรรมคือนิโรธอันถูกต้องมิบุฒิคือการดับกรรมคือไม่ต้องไปบนบาากาไม่ต้องไปนอนในโลไม่ต้อง ก, รรก็นิโรธอันถูกต้องมิบุฒิแล้วคือการดับกรรมรหากนอกเหนือจากการที่พวงทรงตัดอย่างนี้ไว้ไม่ใช่การดับกรรมในทางพุทธศาสนาอาจจะเป็นการดับกรรมของศาสนาอื่นลัที่อื่นกระแสความเชื่ออย่างอื่นแต่ไม่ใช่หลักขณะของพุทธศาสนาเรา โฆษณาเรายึดถือตามหลักคาสอนว่านิโรธอันถูกต้องมีมุติแล้วเท่านั้นชื่อว่าดับกรรมหากยังไม่เข้าถึงนิโรธอันถูกต้องมีมุดก็ยังมีชื่อว่าดับกรรมหมายถึงว่าเราเห็นนิโรธคือเห็นการดั บ, บแต่ยังไม่สัมผัสวีมุตดก็ยังดับกรรมไม่ได้ต้องนิโรธที่เราเห็นการดับทําการทําให้แจ้งอย่างนี้บ่อยๆจนไปสัมผัสกับมีมุดเห็นนิโรธเห็นนิโรธคือเห็นอะไรก็เห็นอารมณ์ดับไปนั่นเอง เกิดในจิตและกระดับไปในจิตเกิดในจิตและกระดับไปในจิตเมื่อเราเห็นเกิดในจิตและกระดับไปในจิตไม่ปรุงแต่งต่อก็ไม่เป็นกรรมก็คือจบเลยนะมันก็ดับอยู่ตรงนั้นแต่การดับนั้นจะต้องไปสัมผัสกับวิบูทด้วยถึงจะเป็นการดับได้อย่างถาวรแต่การเห็นการดับขณะนั้นแม้มันไม่สั่งสมเองก็ตามแต่ยังไม่มันยังมีเชื้อเหลืออยู่ต้องให้เห็นอาการดับที่เราเห็นนั้นไปสัมผัสกับวิบูทมันจะสัมผัสกับวิมุตตอนไหนตอนที่จิตเข้าสู่โพธรภูยาน โคตรภูญานจะเป็นยานที่เชื่อมโยงระหว่างจิตบุุรชนกับกจิตพระอริยเจ้าที่จะเข้าเห็นพระทิพย์มันจะไปสัมผัสวิมุตตตอนะคือก้าวข้ามบุตรชนปั๊บเข้าสู่อริยะแล้วก็เป็นโคตรลปูปั๊บพอพลดจากโคตรลูปั๊บกับวิมุตอันนั้นวิมุติในชั้นหโลกุตรลแต่ถ้าวิมุตในชั้นโลกิยะ สิ่งที่เคยกระทําแบบเนี้แบบแบบเนี่ยชื่ออะไรนะดาวครับหรือโยมดาวเนี่ยบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจที่ได้เอาเงินอะไรซื้อให้พระอะไรเนี่ยซื้อซื้อซื้ อ, อ, อ, อ, อตั๋วรถให้พระพระถือเงินมาบอกเงินไม่พอแล้วตัวเองก็เลยเอาเงินเพิ่มไปซื้อตั๋วรถให้พระเอ้รู้สึกมาคิดในภายหลังว่าไม่สบายใจอย่างเงี้ย ให้เห็นอารมณ์นั้นดับไปร่วงไปดับไปพอดับไปแล้วไม่คิดต่อไม่ปรุงแปลงต่อแล้วทำจิตให้พ้นจากอารมณ์เหล่านี้นั่นคือเป็นนิโรธที่สัมผัสกับวิมุตเหมือนกันไม่เกิดกรรมอีกแต่ถ้ามัวแต่คิดไม่สบายใจกับเรื่องนั้นแล้วผูกใจคิดอยู่เรื่องนั้นเป็นอารมณ์มมมอานนั้นก็เป็นกรรมต่อไปอีกเป็นบาดซึมมาอีก เรื่องที่ท่านบอกว่าอย่าไปปิดมันเอาไว้ให้ปล่อยมันออกมาผมฟังฟังแล้วลองจินตนาการเล่นเหมือนกับว่าถ้าสมมติ เ, เราไ ป, ไปเจอผู้หญิงแล้วเราก็ออกก็อย่าไปคิด<ม>ไอ้นี่คือการปิดมันมแต่ถ้าเกิดว่าการปล่อยมันก็คือว่าพอเราเห็นปุ๊บเราก็เอาผู้หญิงคนนั้นที่เราเห็นมาพิจารณาเรื่องทาตเรื่องความเสื่อมโซ่อะไรอย่างนี้เหรอครับใช่ไหมครับประมาณอย่างนี้ไหมครับพอเราพิจารณาจนมาเห็นว่าเออมันก็เป็นแค่ดินน้ําลงไปมาประชุมกันนะ<ม>นั่นก็คือการปล่อยมัน ก็ใช่ในระดับหนึ่งแต่ที่สําคัญคือมันจะต้องว้องไวถึงขนาดเพียงแค่เห็นเรื่องราวหนานั้นเป็นเพียงแค่สภาพหนึ่งที่เกิดระดับไม่มีความกําหนดหมายในความเป็นหญิงเป็นชายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความเป็นอะไรทั้งสิ้นเป็นเพียงแค่อาการหนึ่งที่เกิดระดับเกิดระดับคําว่าอาการนั้นไม่ไม่ได้จำเพาะหรือแยกแยะไปเป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเพียงแค่อารมณ์อารมณ์หนึ่งสภาวะหนึ่งเหมือนกับลมพัดใบไม้ แล้วใบไม้ก็ปิวเป็นเพียงแค่อาการแห่งการพัดไหวแค่นั้นเองก็แต่อันอันก่อนที่เราจะมาถึงขั้นนี้เราก็ต้องอบรมใจก่อนอเขาเรียกว่าโยนิโสอธิบายให้จิตได้สร้างสแสดงว่ากุณิุชนไม่เคยภาวนาเป็นยังยังย ง, ง, ง, งใช่ก็ต้องอบรมใจอย่างนั้นก่อนใจพอครับให้มันเห็นว่ามัน มันไม่ได้เป็นเหมือที่จิตมันคิดนะว่ามันชอบมันรักหรือว่ามันเกลียดมันปักใสเราก็ต้องยอมรับอะมันรักก็ต้องยอมรับว่ามันรักมันชังก็ต้องยอมรับว่ามันชังก็ยอมรับมันไปแต่เราต้องรู้มีสติรู้ตัวเองในขณะนี้ว่าตอนนี้เรากําลังรับรู้หรือกําลังดูกำลังไข่ค่วนกําลังพิจารณากําลังอบรมใจตัวเองอยู่ครับเราก็ไปหาสาเหตุมันรักทําไมมันโกรธทาไมมันเกลียดทําไมทั้งก็ไปหาสาเหตุ เอาเอาอะไรมาเป็นเอาอะไรมาเป็นตัวตัวในการกรองเดี๋ยครับหนึ่งชนไม่ไม่ไม่ ต, ต้องไปกรองก็รับทราบมันตามตามตรงๆเลยในสิ่งที่มันเป็นตรงๆเลยแล้วผู้ที่จะรับทราบได้เนี่ยต้องอบรมมาใช่ต้องผ่านการอบรมใจมาก่อโดยจะพาะมีพื้นฐานการที่นาไกายมาก่อน ได้อยู่แต่ก็เอาอย่างเช่นพระอาจารย์อ่ะภาพตอนนั้นนะนึกถึงแต่ภาพเพื่อนคนรักที่จะไปแต่งงานกันอ๋อครับผมก็ความรู้สึกที่รักก็ยังมีก็ปล่อยให้มันเกิดอันนี้คือสัญญาขันเกิดขึ้นอันนี้คือสัญญาขันตั้งอยู่อันนี้คือสัญญาขันกลับไปครับก็แค่นี้เราก็ยอมรับว่าเราก็ยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมไม่ได้รัเกียรจเขาไม่ได้มองเขาว่าเป็นดินน้ำไฟลมไม่ได้มองเขาว่าเป็นอสุภะไม่ได้มองเขาว่าเป็น เป็นอะไรยังสิ้นมองมองว่าเป็นสัญญาขันเรื่องเราอนนี้เป็นสัญญาขันตัวสัญญาเป็นปัจจุบันเรื่องเราที่ปรากฏก่อสัญญาขันเป็นอดีตครับแล้วภาพความมีความงามที่จิตมันปรุงต่อไปโดยที่ตรงเราไม่ได้พ ย, ยายามคิดนะครับมันจิตมันปรุงต่อไปว่าได้เดินจับมือ ก, มก็ให้ทราบว่านั่นคือจิต ท, ที่ปรุงนี่คือจิตเรากำลังปรุงแต่งอยู่ก็ทราบก็ปรุงไปแต่ให้รู้ว่านั่นจิตเรากาลังปรุงแต่งเรื่องนี้ เข้าาจิตที่ปรุงแต่งเรื่องนี้หมายถึงว่ามันปรุงหนีออกจากความจริงความจริงปรากฏแค่นี้แต่มันปรุงออกไปมากกว่านี้เราก็รู้ว่าจิตเรากําลังปรุงแต่งสิ่งที่นอกเหนือจากความจริงที่กําลังปรากฏอยู่เพราะนั้นสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่ไม่จริงครับอย่างนี้ก็แสดงเหมือนเรานั่งดูละครไหครับนะนะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกับเราดูทีวีแล้วคนอยู่ในทีวีมีอยู่จริงไหมไม่มีครับแล้วมันมีอะไรก็มีแค่ ก็เหมือนกันเหมือนกันมันเป็นแค่สัญญาครับมันไม่มีอยู่จริงก็แสดงว่าถ้าจะเป็นบุคคลผู้ฉลาดก็คือดูมันก็แค่ดูมันใช่ก็ดูมันคนงอเคดูแล้วก็ไปเครียดแค้นว่าไอ้นี่ทําไมถึงต่อไอ้นี่ทำไดีไ้นี่อะไรอย่างนี้ใช่ครับดูทีวีก็ไปอินกับมันงั้นก็อีกเรื่องนึ่อ๋อครับมันไม่มีตัวคนอยู่ในทีวีไปทุบดูซิหาคนที่อยู่ทีวีมาดูสิครับนี่นี่ อย่าไปหลงอาการส่วนมากหลงอาการพวกนี้นักปฏิบัติภาวนาเลยไปไม่หลอดอย่างนี้ อ, อผมถามคุณกรนะครับแล้วอย่างผมอย่างเงี่ยพึ่งเริ่มต้นไม่เคยภาวนาเนี้ยครับควรจะเริ่มจากการพิจารณาว่าทําไมถึงชอบทาไมถึงรักหรือแค่ดูมั น, น, นอย่างนั้นก็ได้ถามว่าก่อนที่จะรักความรักมันอยู่ที่ไหนก่อนที่มันจะรักมันความรักมันอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าครับฮะ อ่า uh, ไม่ครับผมแล้วเวลามันเกิดความรักเพราะสิ่งที่เห็นใช่ไหมใช่ครับแล้วก่อนที่มันจะรักกอบความรักไป อ, อยู่ที่ไหนไม่มีครับไม่มีเมื่อละจากการเห็นแล้วความรักประดับไปแล้วมันดับไปที่ไห น, มนไม่เห็นก็ไม่เห็นนี่ครับผม ก, ก็ไม่รู้ครับแล้วความรักมันเกิดขึ้นตอนไห น, นตอนที่เห็นตอนที่เห็นเท่านั้นตอนที่เห็นกับตอนที่ไม่เห็นตอนไหนมากกว่ากันตอนที่ไม่เห็นมากกว่าครับ <aken S 1> มันก็แค่มันก็แค่ขณะหนึ่งอ่ะครับแล้วมันก็ดับไปขณะหนึ่งแต่สําคัญคือเราหลงพออย่าอย่างหลมในสิ่งที่เราลักเราไม่ได้หาเหตุผลอ๋อมันไม่ได้มีอยู่จริงความรักมันดับไปแล้วก็ก็คือหมดไปแล้วไม่ได้มีจริงมันเกิดขึ้นเฉพาะขณะที่เห็นนี้เท่านั้นครับเราจึงไม่ต้องไปทําอะไรกับอารมณ์เหล่านี้เราก็แค่เห็นว่ามันเกิดขึ้นตอนนี้แล้วมันดับไปตอนนี้เพนั้นเองเพราะมันไม่ได้มีอยู่จริงครับมันเกิดมามีผัสสะ มันจึงมีหมดภาษาอันก็ไม่มีเราก็ถามตอบไปเลยครับว่าแล้วถ้าเป็นบางอย่างที่มันเป็นอกุศลธรรมกับกุศลธรรมอย่างเช่นเราเห็นเขาทําในสิ่งที่ดีๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่ดีนะเราอยากทำตามไอ้แบบนี้ก็คิดไม่ได้ใช่ไหมครั บ, บ<ะ>คิดพระพุทธเจ้าก็ให้ไม่ได้สอนให้เราโง่ขนาดนั้นโค้งสอนให้ฉลาดอะไรควรละอะไรควรรู้ อะไรควรเจริญขึ้นครับกุศลธรรมเป็นของควรละหรือควรเจริญขึ้นควรละคระับกุศลธรรมกุศลธรรมเปนของควรเจริญเมื่อมันของควรเจริญแล้วก็ก็เจริญมันขึ้นดีและแต่อันที่ควรละก็ต้องละมันไปอย่าไปเอาอันสิ่งที่ควรละมาเป็นของควรเจริญแสดงว่าต้องมีแกนคือธรรมครับผมใช่ธรรมพระญาติอริยสัจสีไว้ว่าทุกควรยอมควรยอมรับเหตุให้เกิดทุกควรละนิโรธควรทาให้แจ้งมรรคควรเจริญขึ้น แสดงว่าถ้าจะข้ามไปภาวนาโดยที่ไม่รู้ธรรมของพระพุทธเจ้า ก, ก่อนก็ถือว่าปิดปิดสเต็ปอย่างนี้หรอครับมันอาจจะไม่ปิดสเต็ปแต่ภาวนาไปมันจะไม่รู้เรื่องพอภาวนาไปแล้วกลับมาเรียนรู้ภายหลังก็ได้แล้วเรียนรู้แล้วจะภาวนาให้ถูกต้องก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องได้ทุกคนอย่างโซนฮะฟังแล้วก็กูจะเอาพราลหันวันนี้กับเพี้ยนอยู่นั่นแหละ <ขอ S 1> ตายป่าพี่เฉยกูยจะต้องไปแก้จิตให้ไหม ขณะผู้เยาะสอนอนาปนาสติเสร็จนะสอนไปพิสุก็แยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปทำํำพวง ก, ก็นั่งคํานวณอยู่ที่พระคันตะกุฏีว่าจิ ต, ตอง พ, พิสุพิสุรูปนี้เป็นยังไงรูปนั้นเป็นยังไงรูปโน้นเป็นยังไงใช่ไหมละ่ะพอรู้ว่าพิสุรูปนี้กำหนดอานาปนาสติผิดก็ว่าไปหาเลยเธอกาหนดใหม่นะเนี่ยขนาดว่าเรียนกับผู้เจ้าไปแบแบแบนั้นแหะยิ่งขีดเลยนั่นแ่ละ <laughs> กําหนดใหม่อย่างเงี้ยผิด แล้วถึงวันนี้มาสอนอนาปนาสติกันแล้วไม่มีอาจารย์องค์ไหนหายตัวมาสอนเราทุกคนเราก็ยังทํากันไป น, นี่เขาไม่สามารถหายตัวไปสอนใครได้เลยไม่อยากจะสอนอานาปนาสติแล้วแต่บิดากรรมฐานทั้งหมดอนาปนาสติจะยากกว่ากรรมฐานทุกกรรมฐานยากมากถ้ากำหนดไมายผิดก็ผิดไปเลยนะกําหนดไมายถูกก็ถูกแต่ถ้ามาแปดทำธาตุกรรมฐานสี่อยู่ดีด มันมันรวมอนาประสาติอานาบารสติเข้ามาเองรูล้ลมหายใจเข้าออกเองอัตโนมัติรู้ชัดออกชัดเองอัตโนมัติพร้อมกับการพิจารณาท่าสี่พิจารณาก็พิจารณาแต่รู้ลมก็รู้ลมไปพร้อมกันโดยที่ไม่มีความขัดแย้งกันไปด้วยกันแบบเนียนๆแบบสบายๆไปด้วยกันแบบดีๆเลยนะไปแบบเข้ากันได้เลยนะก็เลยแล้วมันจะไม่แยกกันนะครับอาจารย์แยกอะไรไแยกแบ่งความคิดแบบ ไม่แบง่งอัตมาพิจารณาไกลเป็นห้าสี่นะครับพอพี่นามาเข้าการพิจารณาที่มันเกิดความรู้เนี่ยมันเข้าไปรับรู้ลมเองอมันแยกขอ ง, ม, องมันเองได้มันปรากฏว่ามันรับรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ตั้งแต่เส้นผมจนถึงปลายเล็บเนี่ยชัดเจนในขณะเดียวกันที่เราพิจารณาไอ้ส่วนพิจนาณาก็พี่พี่นาไอ้ส่วนที่รู้ลมก็รู้ลมมันเข้าไปด้วยกันแต่กร น, นี้ ถ้าตามมาไปนั่งดูลมหายใจแล้วเกิดความคิดขึ้นมันจะขัดแย้งไม่เอาเลยมันทิงมามาเหลือชิ้ใช่จะดึงมาอยู่กับลมดึงมาอยู่กับลมแต่ตอนนั้นมันเข้ากันได้สนิทมันไม่ขัดแย้งกันมันไปไปที่ทางเดียวกันไปพร้มกันทำได้พร้อมกันใช่จึงรู้ว่าถ้ามันเราเข้าใจอะไรสักอย่างแล้วมันมันมีอะไรขัดแย้งที่มันขัดแย้งเพราะเราไม่เข้าใจเหมือนกับเราเข้าใจว่าไอ้ความคิดปอกวนจิตเนี่ยเราไม่เข้าใจความคิดเลยขัดแย้ง ไอ้ขัดแย้งนี่แหละคือทําให้เราทุกข์แต่ความคิดไม่ได้ทําให้เราทุกข์พราะเราไม่เข้าใจอย่างนี้เลยเกิดความขัดแย้งแล้วทําให้เราทุกข์ปัญหาอยู่ตรงนี้นักปฏิบัติมดเดี๋ยวได้เวลาแต่วายเพ็ญ นะนั้นก็ใช้เวลาในการพูดคุยธรรมะกันเพียงเท่านี้ก็ได้ประโยชน์มากเลยลองชิมอาหารแปลกๆมีอะไรแปลกๆเนาะเดี๋ยวก็เห็นแหละพระเราไม่อยู่ใช่ไหมไปพาพระไปหาหมอสองลูกสามสอง